u d d h a m r a a m g a c c h u d d h a m r a a m g a c c h d h a m m r a a m g a c c h d h a m m a m r a a m g a c c h a m a t c h a Namam Sharanam, g a c h a Sangham Sharanam, g a c h a s a h a m Sharanam, g a c h a สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ปรลัดสมทบพรรกโมวัดกลางอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องสัภาสวะสังวรสูตรครั้งที่สองขอเชิญท่านรับฟังได้นำบัดนี้ครับ ก็จะบรรยายต่อจากทั้งทแล้วเนี่ยทั้งที่แล้วพูดในเรื่องของสัพพาสวะสังวรสูตรเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงในเรื่องของการเว้นเออเกี่ยวในเรื่องของอาสวะสัพพาสวะก็คืออาสวะสังวระก็คือการสังวรสังวรในที่นั้นเป็นชื่อของการปิดกัน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 การใช้สอยการบริโภคอาสวะที่พึงละได้ด้วยด้วยอธิวาชนะคือการอดทนอดกลั้นอาสวะที่พึงละได้ด้วยปริวัชนะคือการเว้นแล้วก็อาสวะที่พึงละได้ด้วยการด้วยวิโนทนะคือการบรรเทาประการที่เจ็ดที่เจ็ดก็คืออาสวะที่พึงละได้ด้วยการภาวนาคือการเจริญเนี่ยทั้งทั้งเจ็ดประการนี่แหละที่จะศึกษากันเป็นไ ป, น ป, นปนตามลําดับทั้งที่แล้วก็ได้พูดในเรื่องว่า ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาพินติกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตัดเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วก็สดแสดงธรรมรองค์ก็บอกว่าโดยใจความก็บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมนาสิ ก, กานโดยไม่แยบคลายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญตกอาสวะที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่าเนี้ยโดยการเห็นด้วยการสังรวมเป็นต้นเหล่าเนี้ยที่ยังไม่เกิดทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเจริญไพัยบุ์มากยิ่งขึ้นนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ส่วนถ้าหากว่าเมื่อภิกษุมนานัสิการโดยแยบคลายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมล้าเสียได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หนึ่งอาสวะที่พึงละด้วยการเห็นก็มีสองอาสวะที่พึงละด้วยการสังวรก็มีสามอาสวะที่พึงละได้โดยการเสพเฉพาะก็มีสี่อาสวะที่พึงละได้โดยการอดทนอดกลั้นก็มีห้าอาสวะที่พึงละได้โดยการเว้นรอบก็มีหกอาสวะที่พึงละได้ด้วยการบรรเทาก็มีที่จะพึงละได้เพราะอบรมก็มีประการที่เจ็ดเ น, นี่ยเลยมีเป็นอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ตรัสบอกว่าดูก่อนวิสูตรทั้งหลาย <Krist> <Transfer. S 1> อาสวะเหล่านั้นที่พึงลักได้โดยการเห็นแล้วก็ดูก่อนภิกษัวทั้งหลายปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นภระริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของภระริยะทั้งหลายไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของพาริยะทั้งหลายไม่ได้เห็นสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของสัตว์บุรุษย่อมไม่รู้ธรรมตามตนควรมานาสิการเมื่อเขาไม่รู้ธรรมที่ควรมนานสิการ ไม่รู้ทำที่ไม่ควรมนสิการย่อมมานาสิการทำที่ไม่ควรมนาสิการแล้วก็ไม่มนาสิการทำที่ควรมนาสิการก็คือท่านยกตัวอย่างปุตุชนวยบอกว่าปุตุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยเป็นโทษเป็นโทษก็คือว่าเพราะเหตุที่ตนเองเป็นปุตุชนเนี่ยไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ แล้วก็ไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของบาริยะไม่คบสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษเป็นต้นและไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของสัตบุรุษก็ก็ไม่รู้ตามความจริงตรงนี้ถ้าเราดูในมูลปริยายสูตรที่เคยกล่าวมาในครั้งที่แล้วอันก็จะบอกยกตัวอย่างยกเหตุผลคําว่าปุรุชนเนี่ยคือปุรุชนที่ไม่ได้สดับไม่ได้พบภาริยะไม่ฉลาดในธรรมของบาริยะไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของบาริยาไม่ได้พบสัตบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษไม่รับการแนะนําในธรรมของสัตว์รับรู้สิ่งต่างๆก็คือเมื่อไปรับรู้สิ่งต่างๆแล้วก็เป็นไปตามอำนาจของราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างแล้วก็เกิดความยินดีเกิดความเพลิดเพลินแะล้วส่วนพระเสขะหรือพระเสขะหรือสัตว์บุรุษทั้งหลายเนี่ย <c oughs> เขารู้ตามความเป็นจริง <c oughs> เขาก็รู้จักที่จะมนานสิการในธรรมที่ควรมนานสิการเป็นต้วนี่ก็ต่างกันตรงนั้นแล้วบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทำที่ไม่ควรมานาสิกานที่ปุตุชนมานาสิกานอยู่เป็นเชไหนเมื่อปุตุชนมานาสิกานอยู่ซึ่งทำเหล่าใดกามาสวะก็ดีภวาสวะก็ดีอวิชาสวะก็ดีที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญทำเหล่านี้ไม่ควรมานาสิกานซึ่งเขามนาสิกานอยู่ดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็ทำที่ควรมานาสิกานที่ปุตุชนไม่มนาสิกานอยู่เป็นเชไหนเมื่อปุตุชนมานาสิการทำเหล่าใดอยู่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 พอไม่มีโยนิสโสมนัสิการแล้วก็ก็ไปมนสิการในสิ่งที่ผิดพลาดพอมนัสิการในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วเนี่ยพวกอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเจริญไปบูนยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราย้อนดูในพระสูตรนี้เนี่ยในสภาสวะสังวรสูตรอัตถกถาท่านแสดงไว้บอกว่าท่านเล่าเรื่องสาวถีก่อนท่านบอกว่าคําว่าสาวถีเนี่ยคือพระนครนั่นเป็นที่อยู่ของฤาษีนะ ชื่อว่าสวัฏถะแต่ก่อนเนี่ยที่สาวัตถีเป็นที่อยู่ของฤาษีชื่อว่าสวัฏถะเหมือนคําว่ากา ก, ากันดีหรือว่ามากันทีส่วนพระอัตคขาาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าวัตถุเครื่องอุปโภคและบริโภคของมนุษย์ทุกอย่างมีอยู่ในเมืองนี้ฉะนั้นเมืองนี้จึงชื่อว่าสาวัตถีบออีกในหนึ่งก็คือว่ามีวัตถุของควรจินควรใชนะ้มีเยอะจึงเรียกว่าสาวัตถีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า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 คือเมืองนี้มีเศรษฐีใหญ่ๆอยู่เยอะในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าประเทศไหนมีคนรวยอยู่เยอะเนี่ยประเทศนั้นก็<ๆ> ก, ก็จะเลินทั้งด้านทั้งด้านวัตถุทั้งด้านเครื่องอุปโภคบริโภค ก, ก็ก็จะเลิญเขาบอกว่าด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคเมืองนั้นว่าสาวถีนี้เป็นของชาวโกศลหน้าชื่นชมน่ารื่นลมหน้าเพลิดเพลินเจริญใจแล้วก็อุทธรึกไปด้วยเสียงสิบประการนะก็มีเสียงม้าเสียงรถเป็นต้นอะไรเนี้ย เป็นเมืองอู่ข้าอูน้ําเป็นเมืองถึงความเจริญไพบูุ์มั่งคัง่งแล้วก็กว้างขวางน่าชื่นชมแล้วก็อุดมสมบูรณ์เหมือนเหมือนเทพบุรีชื่อว่าอาลกาวมันเทาทีนี้ในเมืองสาวัตถีเนี่ยที่เขาบอกว่าวัดเชตาวันเนี่ยมาจากคําว่าเชตวันนีก็แปลว่าคําว่าเชเชตาเนี่ยเป็นชื่อของพระราชกุมารนะพระนามว่าเชตาทาไมจึงชื่อว่าเชตาราชกุมารนนพระเจ้าเชตฐ์เนี่ย เพราะรบชนะข้าศึกของพระ อ, องค์หรือเพราะประสูตรในเวลาที่พระชนกหรือทรงมีชัยต่อข้าศึกเชษเนี่ยเชตาเนี่ยแปลว่าชนะเนี่พราะพระนามอย่างเนี้ยพระชนกชนนีตั้งให้เพื่อเป็นสริริเป็นมงคลคือพระเจ้าเชษเนี่ยตอน ท, อนที่ตอนที่บิดาไปรบออกรบแล้วชนะก็ก็เลยมาตั้งชื่อลูกว่าเช ท, ทีนี้อุทยานของพระราชาุมาร น, นั้นชื่อว่าเชตาวัน เพราะอุทยานเชตาวันนี้อันพระราชกุมารนนทรงพระนามว่าเชตานั้นทรงปลูกสร้างธนุบํารุงให้เจริญงอกงามทั้งพระ อ, องค์ก็เป็นเจ้าขอ ง, ข อ, งอุทยานนั้นด้วยฉะนั้นจึงชื่อว่าเชตาวันในวิหารเชตาวันนั้นฉะนั้นไอ้วัดนี้ที่เขาเรียกว่าวัดเชตาวันที่เราเคยไปกันมาที่อินเดียเนี่ยโดยสรุปก็คือเป็นของพระราชกุมารชื่อว่าเชตาราชกุมารเป็นอุทยานที่พระราชบิดามอบให้ ท่านก็เลยเป็นเจ้าของเจ้าของสวนเคทวันนี้วันแปลว่าป่าก็คือว่าอุราชอุทยานของพระเจ้าพระเคตะราชบุมามส่วนคําว่าอนาถาปินที่กัสสะอาราเมเนี่ยอธิบายว่าครื่องฮาวีที่ชื่อว่าสุทัตตะอันนี้เป็นชื่อที่บิดามารดาตั้งให้คือมารดาบิดาตั้งให้ว่าสุทัตตะเครห่องฮีสุทัตตะเฉยๆแต่อยู่ต่อมาเขาเรียกกันในยุคนั้นว่าสุทัตตะเครห่องีเขาเรียกอย่างนี้นะ ก็คือเป็นเป็นคนมีเงินเนะี่ยเป็นเศรษฐีก็เลยเรียกคขร ห, หาบุตีแต่คําว่าค้ า, าบุตีในี่ในประเทศไทยไม่ค่อยนิยมเรียกกันก็จริงคําว่าข้าหาบุตีก็คือเศรษฐีโดยเหตุที่ได้รับอาหารต่อมาเนี่ยนะต่อมาก็ได้ชื่อว่าานาถาินทิกะที่เรียกว่าานาถาินทิกะก็เว่าเหตุที่ให้อาหารแก่คนานาถาทั้งหลายเป็นประจําเพราะเป็นผู้มั่งคั่งโดยสมบัติทุกประการและปราศจากความตันี ทั้งเพียรพร้อมด้วยคุณธรรมมีความกรุณาเป็นต้นก็คือว่าสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะบรรพชิตก็ยินดีในในสวนนี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอารามะอารามอารามเนีาา่ยมาจากคาว่าอารามณียสถานสถานที่ทําให้เกิดความยินดีในวัดเนี่ยวัดนี่เป็นอารามณียสถานเนี่ยเป็นอารามะก็แปลว่าเป็นที่คือบรรพชิตมาอยู่เขาก็ยินดีที่จะอยู่เป็นต้นใครมาก็เป็นที่ยิน สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมาแต่ที่ต่างๆก็ย่อมยินดีเพืิดเพลิน อ, อยู่อย่างสบายเพราะส่วนนั้นงามไปด้วยดอกไม้ไม้ผลเป็นต้นสมบูรณ์ไปด้วยองค์ประกอบแห่งเนสนานะห้าประการหประการก็คือว่ามีการไม่ใกล้ไม่ไกลจากถนนทุนทางเกินไปนักเป็นต้นทีนี้อารามเนี่ยเพราะดึงดูดสัตว์ผู้ไปถึงสถานที่นั้นภายในบริเวณของตนนั่นเอง แล้วก็ให้เกิดความเพลิดเพลินด้วยสมบัตินานาประการก็หมายความบอกว่าสวนโดยเฉพาะที่วัดเชตาวนเนี่ยนที่เป็นอนาณาถาปิณิกาเศรษฐีได้ได้สร้างถวายถวายสงศ์มีพระเจ้าเป็นประมุขเออตรงนี้ก็ย้อนย้อนนิดนึงนคืออาณาถาปิณิกาเศรษฐีเนี่ยที่เคยเคยเกิดเกิดไว้บ้างแต่รายละเอียดก็จะไม่ลงเบืลึกเดี๋ยวก็จะไปกลายเป็นเล่าเรื่องอาณาถาปิณิกาก็ยาวไปอีกเรืยุ่งก็คือว่า คณนะถาพินิกาเนี่ก็อยู่ที่สาวถีอยู่แฝนโกศลแต่ก็น้องสาวก็อยู่กรุงราชฤกษ์แต่งงานกับเศรษฐีราชฤกษ์หาเศรษฐีก็ไปเยี่ยมน้องสาวก็ไปหาพี่เขยในในทํานองอย่างนั้นเลยปกติเนี่ยบางทีก็ปีงไปครั้งสองปีสามปีไปครั้งไปแต่ละทีก็อย่างนันไปทั้งเกวยนมีทั้งคนอลักขาไปอย่างนี้กัเศรษฐีโดยมากก็ไปค้าขาย แต่ที่เวลาไปตามเมืองต่างๆสมัยนั้นก็ยังมีการติดต่อค้าขายกันใะช่ไหมมีทางบกบ้างทางเรือบ้างแต่ที่สาวสถีกับที่กรุงราชคกลืเนี่ยเขาไปทางบกไปทางบกก็ใช้เกวียนยุคนั้นก็ถือว่าโคสุยเลยเกวียนนีสมัยโบราณยังเคยเห็นเลยตอน<ม>ตอนเด็กๆ เ, เนี่ยเวลาเข้ามากันอย่างทางจังหวัด น, น่านจังหวัดแพร่เขาใช้เกวียนนะยุค น, นั้นนะเขาใช้เกวียนมากันเขาก็ใช้เกวียนบรรทุกพวกของ กินของใช้เนี่ยมามามาแลกเปลี่ยนเราก็มีข้าวแลกเปลี่ยนเราก็มีซื้อขายกันนะก็ใช้ข้าวบางทีก็ใช้ข้า ว, าวบางใช้ถั่วบางใช้งาบางเป็นเต้านี้ก็แลกมีการแลกปลาบางปลาบางแลกของกินบางผลไม้เรื่อต่างเจอนสมัยนั้นก็เป็นมาปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปกายเป็นต้องใช้เงินแลกพอไปก็ดังที่ได้เคยเล่านั่นแหละที่บอกว่า พอไปหาท่านราชเชษหาเศรษฐีไปครั้งนี้ราชเชษหาเศรษฐีรู้สึกจะไม่ค่อยมีเวลาต้อนรับคุยคำสองคาก็รีบไปสั่งงานแลน้วนี้แล้วก็ไม่มาก็นั่งแปลกใจจนมืดคำ่ำพอมืดค่ำเบ็ดเสร็จก็คือราชเชษหาเศรษีจัดงานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็มาก็บอกเออขออภัยด้วยนะไม่ได้ต้อนรับเหมือนครั้งก่อนก็เลยถามเออมีเรื่องอะไรบอกว่าพรุ่งนี้เช้านิมนต์พุทธเจ้าพร้อมด้วยพิกูุนสงฆ์จะมาฉันพระธาตพอได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าหรือได้ยินคําว่า พุโทโธ แ, แกนี่เนี่ยแกตื่นเต้นนี่คนที่มีบุญเนี่ยเคยสร้างอัธยาศัยเคยเจริญพุทธานุสติก็ไว้นี่เนี่ยพอได้ยินคําว่าพ่ะพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นเนี่ยแค่นั้นตื่นเต้นก็ถามกว่าไกลไหมจากนี้ไปโอไกลพุทเจ้าอยู่นอกเมืองอยู่นอกเมืองทีนี้ก็จะทำยังไงจะไปทันไหมจะบอกโอ้เอาไว้พรุ่งนี้ก็เจออยู่แล้วทำไมจ ะ, จะต้องขวนขวายไปทําไมแกก็เชื่ออยู่ไหมก็รีบเข้านอนทีนี้นอนแกนอนไม่หลับเนี่ย ใช่คนที่คนที่เขาเจริญพุทธานุสติหรือคนที่เขามีบุญนอนไงก็นอนไปหลับตาก็สว่างติธีเกิดเนี่ยคือปาโมดปิธีประสรที่ความสุขก็เกิดอยู่เนี้ยนึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งๆที่ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงลักษณะอย่างคิดอยู่นั่นแหละทีนี้แรงกระตุ้นเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าคนคนเขามีบุญเนี่ยเวลาเขาบุญส่งผลเนี่ยคนคนยับยั้งไม่อยู่เอออันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกมากเป็นเรื่องแปลกกระดังที่เคยกล่าวไว้ที่บอกว่าใน ในมชิมะนิกายมัชิมะปัญาตในกีตาคีรสูตรที่พระเจ้าตรัสการตั้งอยู่ในอร่าจผลก็หมายความว่าถ้าคนที่จะบรรลุเนี่ยตั้งแต่โสดาปฏิมากสกาธาคามิม า, าคาณาคาบิมาอร่าจมาคหรือโสดาผลเป็นต้นไปจนถึงอร่าจผลเนี่คนที่จักบรรลุจริงๆหรือคนที่บารมีก็ทําเขาแก่กล้าจริ ง, รงๆเนี่ยเยขาบอกว่าโดยการศึกษาโดยลําดับด้วยการทําโดยลําดับด้วยการปฏิบัติโดยลําดับ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 พอเกิดปุ๊บเนี่ยแล้วก็ยิ่งแสงสว่างก็เกิดแสงสว่างก็เกิดในใจเนี่ยเกิดเกิดจนมองข้างนอกก็สว่างไปด้วยเนี่ยนะศรัทธาเนี่ยพอมันปริมาณของศรัทธามันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็ยิ่งมีกําลังมากขึ้นยิ่งคิดถึงคําว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยแม้พราเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นต้นยิ่งคิดอย่างเงี้ยคือเขาก็ต้องสวดนานาก็ราชนาวีเศรษฐีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นยังไงก็พอสวดนานาแล้วศรัทธาเนี่ยนอน นั่นเพราสุทาแล้วเข้าไปใกล้ไอ้ตรงเนี้ยที่ขับเคลื่อนท่านให้ท่านเข้าไปใกล้เนี่ยกอยู่ไม่ไหวแล้วคิดว่าโอ้โหท่าจะยรอให้พวกนี้เชา้ามีสงสัยเราเราทนไม่ได้เนี่ยพอเที่ยงคืนผ่านไปแล้วก็หลังมัธยมมัอมิมัธยมยามผ่านไปแล้วไม่บอกใครแล้วลองจากปราสาทไปเลยตรงเนี้ยพอไปเนี่ยไอ้แสงสว่างที่เกิดจากปีติที่ตนเองเกิดเนี่ยมองอะไรมันก็ทะลุโ ป, ปล่ปลงไปหมดเลยพอออกออกไปพอไปเข้าที่มืดปุ๊บนี่ความตัวก็หมดปุ๊บมาแทนที่เลย จะกลับโอ้โหที่เราเดินออกมาได้ยังไยงยศศรามันหดลงนี่มีเสียงเสียงดังมาข้างหลังก็บอกว่าเป็นเป็นเหมือนกับพวกยักนะตะกนบอกเอ้ยเดินหน้าแล้วจะไปถอยทําไมใช่งไหมพุทธเจ้าผู้บัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยชีวิตเป็นโอกาสาที่จะเฝ้าพุทธเจ้ามันไม่ใช่ของง่ายๆเป็นต้นเหล่านี้ผู้ฟังนี้ว่าศรัทธาเกิดไปตายขนาดว่าไปถึงป่าสีตะวนันไปถึงไอ้ป่าชา้าถึงอะไรเป็นต้น สอเกลื่อนไปหมดเน้่ยคนเราไปทิ้งเนี่ยแตงเราก็ต้องเดินกลาบอยู่นะแต่นี้ด้วยการที่คนที่มีศรัทธาเข้าไป <c oughs> พอเข้าไปเนี่ยนี่ยตอนนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จจงกรมอยู่ประมาณตีสามเดินไม่ใช่ใช้เวลาน้นอยๆที่เดินไปเนี่ยไม่ไม่ใช่น้อ ย, อยประมาณตีสามพระเจ้าเสด็จจงกรมเห็นแสงสว่างเห็นอย่างนั้นแล้วก็เกิดเกิดปิติก็โลดแล่นกันทีนี้ไม่ไม่ใช่โลดแล่นธรร ม, มาดาพระเจ้าทักดูก่อนสุทัตตะเรื่าวดี พูดเลงนี้บอกเออบอกว่าบอกว่าขอขอเชิญมานั่งศรัาพุทธิแสดงดามูแค่นี้ว่าศรัทธาก็เกิดที่บอกว่ากุลบุตรในพระธรรมวินัยนี้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้แล้วย่อมนั่งใกล้เข้าไปใกล้แล้วย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วย่อมเงี้ยวโสดลงอันนี้คือการตั้งโสดนคือตั้งใจยิยง่งจะฟัง เมื่อเ น, นี่ยโสดลงแล้วย่อมฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็บอกเออคถาคขจักแสดงธรรมนี่นี่เมื่อฟังธรรมแล้วย่อมทรงจำธรรมนั้นไว้ตรงเนี้ยคนในยุ ก, ก่อนเวลาฟังธรรมปุ๊บเนี่ยเขาจะจำได้ทุกทุกคําอันนี้คือเป็นความพิเศษของคนมีบุญเป็นยังไงเวลาฟังพระเจ้าแสดงเป็นไปตามลําดับเนี่ยค่อนข้างจําได้หมดนั้นคนแต่ก่อนเวลาคุยอะไรกันปุ๊บเนี่ย เ, ยเขาจะจําได้เหมือนกับเทปบันทึกเลยเนี่ยเนี่ยอันนั้นเป็นเป็นปกติของคนในยุคนั้น ถึงบางคนจําไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่สาระที่สําคัญก็จะจําค่อนข้างได้หมดนี่นี่เราก็ต้องมาสังเกต ด, ดูในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งความเสื่อมทางด้านสติปัญญาต่างๆเหล่านี้มันมีเพราะอะไรเราก็ต้องดูว่าโลกใบเนี้ยที่มันอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้กี่หมื่นกี่พันปีแล้วใช่ไหมความสมบูรณ์ของสารในด้านของดินน้ําไฟลมเป็นต้นเหล่าเนี้ยที่มันจะเป็นอาหารต่างๆที่ว่าสีกลินรสโอชาธาทั้งหลายของดินของอากาศ ของสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันลดไปเยอะแล้วก็มีสิ่งแปดปลอมขึ้นมาเยอะนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือบุญของคนที่ทํามาใช่ไหมมันก็มันก็มันหลายๆอย่างมันมารวมๆกัน <c oughs> เบ็ดเสร็จก็เลยกลายเป็นคนอย่างเนี้ยดีที่สุดได้แค่เนี้ยได้แค่เนี้ยดีที่สุดเลยก็ย่อมทรงจํำทำนั้นไว้เมื่อทรงจํำทำนั้นแล้วก็ย่อมพิจารณาเนี่ยความหนึ่งทำที่ทรงจํานั้นไว้ นั้นเขาจําได้ไม่พอเขาก็ทํานั้นมาพิจารณามาใคร่ครวนเมื่อพิจารณาเนื้อเนื้อความเห่งธทมนั้นอยู่ทำทั้งหลายย่อมทนต่อความพินิจก็แปลว่าี่จะเพ่งพิจารณาอย่าง ย, งยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าพระพุทธเจ้ากล่าววันนีอ้อย่างยกตัวอย่างเช่นลักษณะของเวทัน้นรูปนี่จะต้องลักษณะเฉพาะตัวของเขาก็คือมีการสลายไปเพราะเย็นและร้อนเนาะเพราะวีโรที่ปัจจัยมีความเย็นร้อนเป็นต้น เวทนาลักษณะของเขาก็คือสวยอารมณ์เนื้อสุขทุกข์และเฉยๆนะสัญญาลักษณะของเขาก็คือจําอารมณ์เนะื้อสังขารก็ปุงแต่งทั้งบุญและบาปวิญญาณก็รู้อารมณ์ทางตาหูจีบุกเล้นกายใจเป็นต้นนี่ลักษณะเฉพาะตัวเป็นอย่างนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกายกับใจนี่นะรวมเบ็ดเสร็จแล้วทั้งทั้งสิ่งเหล่านี้หนระือทั้งห้าประการหรือสรุปสองประการเนี่ย รวมเบ็ดเสร็จก็ตกดีในกฎไตรลักษ์กาวคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอ น, นัตตาเนมันทนต่อการเพ่งแบบนี้ถึงจะเพ่งยังไงเพ่งเมื่อไหร่มันก็จะชัดเจนอย่างนี้ยถ้าเพ่งลักษณะเฉพาะตัวเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวแบบเนี้ยถ้าเพ่งสามัญลักษณะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงความที่จะต้องถูกบีบคั้นด้วยความเกิดและความดับหรือตลอดถึงว่าบังคับบัญชาไม่ได้ก็จะเห็นความจริงอย่างนี้ก็ทําทั้งหลายย่อมทนความพินิจนี้ได้ เมื่อทำทั้งหลายทนต่อความพินิษ์ได้หมายความว่าถ้าเราคิดตหนึกหรือพิจารณาเนี่ยสบายว่าทำนี้เนี่ยแล้วก็เข้าไปเห็นดำความเป็นจริงเนี่ยถ้ายิ่งเข้าใจคําสอนมากเท่าไหร่ฉันทาก็จะเกิดฉันทคือความพอใจเกิดเมื่อฉันทาเกิดแล้วเนี่ยจะเกิดอุตสาหะแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะตั้งความเพียรเมื่ออุตสาหะแล้วก็จะไตร่ตรองเอามาไตร่ตรองเอามาไขขั้นเมื่อไตร่ตรองแล้วก็ตั้งความเพียรเมื่อตั้งความเพียรแล้วก็ทําให้แจ้งซึ่งบรมสัจจะ บรมสัจจาก็คือเห็นแจมแจ้งซึ่งบรมสัจจะกล่าวคือพระนิพพานนั้นด้วยปัญญาหมายความบอกว่าถ้าตั้งความเพียรสรุปก็คือหนึ่งมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาถ้าบ่อมอินงสี่ห้าแก่กล้าตัวปัญญาก็จะแทงตลอดบรมสัจจะคือแทงตลอดพระนิพพานก็จะเห็นความดับทุกข์เห็นสภาวะของพระนิพพานได้นี่เป็นอย่างนี้เหมือนอนาถพิทักษเศรษฐีไปฟังทำอย่ากวุเดจ้า ท่านฟังทำแล้วท่านท่านก็ได้ได้บรรลุพอเบสเสร็จแล้วท่านก็อลาตนานิมวณพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ไปทป็นพระทหารที่บ้านของท่านหลังจากต่อไปอีกวันนึ่แล้วก็นิมวณไปสาวัตถีพรเจ้าก็รับด้วยดุษฎีท่านก็ดีใจการาบลาแล้วกลับนี่เหตุเหตุเป็นอย่างนี้ทีนี้พอกลับมาเนี่ยท่านก็เตรียมใช่ไหมเตรียมหูสร้าง ขนทางสร้างอะไรต่างๆแล้วก็ไปติดต่อไปติดต่อที่ของพระเจ้าเทศอุทยานของพระเจ้าเทศขอซื้อยเช่เก็ขาราคาก็คือว่าซื้อทั้งหมดเท่าไหร่สี่สิบห้าเออห้าสิบสี่โกด้วยการเอาเงินหนึ่งสิบปดโกดปูเต็มบริเวณพื้นที่สิบแปดโกดนี่นะใช้เงินปูแล้วก็บริจาคเป็นค่าสร้างเสนาสนะอีกสิบปดโกด แล้วก็เป็นค่าฉลองวิหารอีกสิบแปดโกดฉะนั้นอารามนั้นจึงเรียกว่าอนาถาปิณิกาสนี่ไปอย่างนี้นะทีนี้ในอารามของอนาถาปิณิกะคณหาบดีนั้นนะ่ะคําว่าเชตะวเนี่ยในคําว่าเชตะวันเน่ในอนาถาปิณิกาสอารามนั้นเป็นการระบุถึงเจ้าของคนแรกคําว่าเชตะวเน่ระบุของเจ้าของคนแรกคืออย่างนี้นะว่าพอเงินโปูไปเบ็ดเสร็จแล้วเงินหมดเหลือตรงๆงซุ้มประตู ก็จะกลับสั่งให้คนไปเอาเวียนมาบรรทุกเงินมกม า, ม า, มาปูวางมาโอโ้โหการการซื้อที่อย่างนี้ยังไม่เคยมีใช่ไหยังไม่เคยเห็นนะใช้แบงค์ใช้เงินปูไปอย่างเงี้ยประเภทที่คือ ท, ทำกันด้วยศรัทธาที่พระเจ้าเชษฐ์บอกว่าส่วนตรงนี้ตนเองก็จะมีส่วนพระเจ้าเชษฐ์ก็ก็บริจาคเงินบริจาคเงินด้วยการสร้างสร้างซุ้มซุ้มประตู คือราชกุมารพระนามว่าเชตา่นั้นน่ยบริจาคทรัพย์สิบแปดโกดที่พระองค์ได้มาด้วยการขายสถานที่ในการสร้างแล้วท่านก็มาสร้างสุ้มประตูและปราสาทแล้วก็บริจาคต้นไม้ซึ่งมีค่าหลายโกดเนี่ยทำไหมหัวตอนเป็นสวนเนี่ยมันไม่ขายต้นไม้ขายแต่ดินเพราะต้องการบุ้นเงนินคนบางคนเวลาไม่ได้ศึกษาตรงนี้ให้ดีเนี่ยก็จะเป็นนึกว่าเคตากรุมานเนี่ยพระเจ้าเชตเนี่ยคือเคตาราชกุมารเนี่ย อ่างอกหรืออะไรไงแท้จริงไม่ใช่เลยคือว่าคุณได้บุญเราต้องได้บุญหนึ่งใช่ไหมก็หนึ่งต้นไม้เป็นของเทศบาราชกุมารประธานต่อมาคือว่าที่ตรงซุ้มประตูนั้นตนเองตน เ, เองเอาเงินมาสร้างเองสร้างซุ้มประตูตเฉพาะซุ้มประตูสร้างหมดสิบแปดโคนไม่ไม่ธรรมดาจากนั้นอนาณาถาปินิกะเศรษฐีเนี่ยนะต้องบอดีเนี่ยเบยจากทรัพย์ห้าสิบสี่โกดแล้วก็ชักชวนผู้คนเะน่ย ร่วมทาบุญแล้วก็ได้ถือชนทั้งสองนั้นเป็นแบบอย่างก็หมายความบอกว่าเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่ไหนจะแสดงบอกว่าอนาถาพินิกะเคยกตัวอย่างเช่นในใ น, ในสูตรสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ประทับอยู่ที่วิหารเชตะวันวิหารเชตะวันนะัทุกสูตรเนี่ยเวลาพระเจ้าแสดงที่ตรงนี้เนี่ยจะมีมากที่สุด สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทับณวิหารเคตะวันอารามของอนาถาปินิกะเศรษฐีเขตพันครส า, า, าวถีจะมีแบบนี้จากนั้นคำว่าเชตะวันนั้นระบุเจ้าของคนแรกคือเรื่องของท่านอนาถาปินิกะปินิกะเศรษฐีแต่ในรายละเอียดจะมีค่อนข้างเยอะๆนีเพืม่มีเวลาก็ค่อยเอาประวัติามาเล่าในที่นี้จะกล่าวถึงในเรื่องของสักครู่พูดถึงในเรื่องของอาศวะ ถามว่าเพราะเหตุไรพระคู่วิยาภาคเจ้าจึงตรัสพระสูตรสภะสวะสังวระปริยายางโวพิฆ เ, เวเป็นต้นตอบว่าเพื่อทรงแสดงถึงข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะก็คือว่าพระพุทธองค์ต้องการจัดแสดงว่าเออทายังไงสัตว์โลกทั้งหลายจึงจะพ้นจากการมาสวะอาส ว, ว, ว, ว, ว, ว, วะคือการภาวาสวะอาสวะคือพบอวิชชาสวะอาสวะคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยว่าอะไร เป็นเหตุเป็นปัจจัยใช่ไหมและพระองค์แสดงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วก็ไม่ได้พบไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของปัจจัยของสัตบุ ร, รุษอันเป็นประโตโคศะว่าทําให้ปุถุชนนั้นไม่รู้ธรรมที่ควรใส่ใจไม่ควรพิจารณาเมื่อไม่รู้ไม่พิจารณาธรรมที่มิควรพิจารณาไม่พิจารณาธรรมที่ควรพิจารณาก็เป็นเหตุให้อาสะวะสามเกิดขึ้น ก็เป็นเหตุให้การาสวะอาสวะคือการความไข่ความติดใจในการมกุลอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้ภวาสวะอาสวะคือพบความยินดีพอใจในพบความยินดีพอใจในการเกิดเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้อวิชาสวะอาสวะคืออาวิชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงกล่าวคือความหลงน่ยเกิดขึ้นมีเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นเหตุให้อาสวะเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านก็แสดงอาสวะบอกว่า คำว่าสภาสวะสังวรปริยาอย่างความว่าเป็นเหตุสัมรวมเป็นเหตุให้ระมัดระวังอาสวะทุกอย่างมีการมาสวะภาะวาสวะวิชาวสวะเป็นต้นเป็นเหตุให้อาสวะเหล่านั้นภิกษุพึงระวงังพึงปิดแล้วย่อมถึงความสิ้นไปกล่าวคือวความดับไปโดยไม่ให้เกิดขึ้นทีนี้คืออันภิกษุย่อมละได้ได้แก่ย่อมไม่เป็นไปเนี่ยคำว่าอาสวา น, นั้นเป็นชื่อของอาสวะคำว่าอาสวะเนี่ยก็แปลว่าไหลไป ถามว่าอาสวะนี่ไหลไปนะไหลไปทางไหนคือไหลออกทางจักษุบ้างไหลออกจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจอาสวะไหลไปอย่างนี้บอกอาสวะที่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะไหลเป็นยังไงบอกยินดีก็ได้ใช่ไหมเกิดความรักความยินดีความชอบใจชอบใจก็ได้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ชื่อว่าไหลหรืออย่างหนึ่งก็คือว่า ปรารถนาที่จะได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือปรารถนาการเกิดนี่คือเป็นกาพวาสวะและก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นน่ยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัสตาการไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เกิดขึ้นก็เพราะอะวิชชาสวะคือความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงเกิดขึ้นเห็นไหมบอกเพราะยินดีตายินดีหูยินดีจมูกยินดีลิ้นยินดีกายแล้วก็ยินดีใจอันนี้เป็นกามาสวะ เมื่อยินดีแล้วก็เราปรารถนาที่อยากจะได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจปรารถนาที่จะเกิดใหม่ก็ต้องการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็นพรว า, าวาสวะและโทษของการไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นน่ะตกอยู่ในกรดใจรักษนะสาวคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็เรียกว่าอาวิชชาสวะเห็นไหมว่าอาสวะจะเกิดขึ้นในเราอยู่ตลอดเวลาตรงนี้มันไหลและมันก็ไหลามานานแล้วใช่ไหม ไหลจนเรามีความยินดีเพื่อเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจทั้งทั้งที่มันไม่ดีเนี่ยท่านถึงบอกว่าไหลไปออกทางจักรสูบ้างทางโสตตาบ้างคานะบ้างชิวหาบ้างแล้วก็กายยาบ้างมโนกาคือใจบ้างอีกอย่างหนึง่งอาสะวะนั้นเมื่อว่าโดยทำไหลไปจนถึงโคตรภูนะไหลไปถึงโคตรภูหมายความบอกว่ า, วาเวลาเจริญวิปัสสนาเนี่ย เริ่มตั้งแต่นามารูปปริเคทยานปัจจะยะปริฆหายานสัมมสนายานอุทยพยาญานแล้วก็อาทีนวายานมิพิทายานมุนจิตุกรรมยะตาญาณปฏิสังขหายานสังขารุปเปกขายานอนุโลมายานเนี่ยแล้วก็โคตรละูญาณเห็นไหมคือโคตรละูญาณถ้าใครจเจริญวิปัสสนาไปจนถึงในชั้นของโคตรละพูญาณแปลว่ากําลังจะข้ามข้ามจากบูตุชนเป็นพาริยาบุคคลแล้ว ฉะนั้นขนาดกําลังจะข้ามชั่วขนาดจิตชั่ววิถีหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะช่ววิปัสนาญาณหนึ่งหนึ่งเนี่ยช่ววิถีหนึ่งหนึ่ ง, วว ง, งจิตขนาจิตหนึ่งหนึ่งจากโคตะระภูญาณเพื่อจะไปเป็นมรคญาณเนี่ยเพื่อจะไปเป็นโลกุตระเนี่ยแม้ในขณนะนั้นน่ยอาสะวะเขาก็ยังไหลไปถึงอยู่ คือสภาพจิตตอนนั้นยังเป็นอารมณ์ให้กับตามมาสะวะได้เพราะว่าสะวะอวิชชาสะวะเป็นต้นได้เห็นไหมยังเป็นที่ยึดหน่วงของกิเลสได้กิเลสยังสามารถไปถือจิ ต, ตเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์ได้เขาบอกว่าโดยธรรมะนี่ก็ไหลไปจนถึง โ, โคตรละคูเมื่อว่าโดยโอกาสโลกเนี่ยไหลไปถึงไหนว่าไปพบไปภูมินู่นไปถึงพราวะกับภูมภาวกะกับพรมเนี่ยภาวกะกับพรมเนี่ยมันมีอยู่สามอย่างเขาเรียกภาวะค่าเนี่ยเป็นอันสูงสุดแล้วยกตัวอย่างเช่น ปุตตชนเพราะว่าฆ่าเนี่สูงสุดของปุตตชนเนี่ยเวหาพราภูมิเนี่ยในเวหาพลาภูมินนเมนี่ยอาสวะก็ไหลไปถึงหรือสัพพาภาวะค่าเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเนวะสัญญานาสัญญา ย, ยาตนะพูมิในรูปเนี่ยนี่เนนะี่ยอาสวะก็ไหลไปถึงภูมนั้นหรือเอาวอา่าอริยาภาวะค่าเอากนิษถาภูมินี่นียขณะเป็นผ้านาคาเนี่ไปอยู่ในชั้นสูงสุดแล้วรอวันจกเป็นผ้าหันแล้วจะไปลินิพานิกามมาสวะเขก็ไหลเดี๋ยวขอไป อวิชาสวะเขาก็ไหลไปหนึ่งพระวาสวะไหลไม่ไหลเขายังยินดีในพบอยู่ไหมนี่แม้นจะเป็นผ้านาคาไหมความยินดีความเพลิดเพลินความพอใจในภพยังมีอยู่ถึงแม้ว่าจะไปยินดีพอใจในพบที่บริสุทธิ์ภพที่ไม่มีปุถุชนเตือกลั้วเลยเนี่ยเขาเรียกสุดทาวาสภูมิเนี่ยก็แปลคภูมที่บริสุทธิ์มากแต่ว่าถ้าใครที่จะมาเกิดในภูมินี่ต้องการคัดกันอย่างดีแล้วแต่ว่าหนึ่งคุณสมบัติข้อแรกต้องเป็นผ้านาคา ถ้าไม่เป็นผ้าน า, าคานี่ยเขจะไม่ให้เข้าภูมิภูมิเหล่านี้เลยเห็นไม้มขนาดในพุ่มเหล่านั้นเนี่ยแต่ถึงคุณเป็นผ้าน า, าคาคุณก็ไม่พ้นอยากเราเช่นคุณ ย, ยังยินดีในการเกิดอยู่ยินดีเพลิดเพลินในการเกิดอยู่และอีกอย่างหนึงบางอย่างคุณยังไม่แทงตลอดสัจจะก็คือยังไม่ได้บรรลุเป็นผ้าละหันนั่นเองเอวิชาอาสะวะก็ไหลได้ถึงขนาดนั้นนี่เป็นอย่างนี้นี้นี้เป็นโทษนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาดูนี่อาสะวะไหลขนาดนี้ ว่าโดยธรรมะไหลไปยานหนึ่งเกือบคนจะใกล้ลลบลุแค่ช่วงขนาดจิตหนึ่งถ้่ข้ามไปขนาดจิตหนึ่งก็เป็นภ้าริยาแล้วเนี่ยตอนนั้นเขายังล้างไว้อยู่นีย่ยังเป็นอารมณ์ของเขาได้อยู่นียแต่ถ้าเป็นพวกโลกุตละจิตเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เป็นอารมณ์อาสวะแล้วยเขาไหลไปอย่างนั้นฉนันชื่อว่าอาสวะอาสวะเหล่านั้นทําทําเหล่านั้นแล้วโอกาสเหล่านั้นไว้ในภายในด้วยอํานาจแล้วก็เป็นไปแล้วก็ทําให้เป็นไปทีนี้ชื่อว่าอาสวะ เป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนของเหมือนของหมักดองมีน้ำเมาเว่นโ้นเป็นเหมือนของหมักดองมีน้ำเมาเว้นโ้นพวกสุลาเนี่ยพูดถึงตาตาเนี่ยตอนเป็นพระวา่าเนี่ยคืกินเห ล, ล้าเยอะติดเหล้าเป็นตาเมาจนคนเขาพากันพูดโอ้โหชาตินี้จะเป็นคนดีเขาได้ไหมคือจะกินเหล้าเมายาเนี่กินแต่แกก็แกประเภทที่คงจะเป็นแบบนักเลงนักเลงนเลง น, นี่ย คือเป็นคนแบบว่าพูดจริงทําจริงแล้วทุกใครมีปัญหามีความทุกข์เขาไปหาแกแกมีเวทมนตร์คาถาเยอะคนยุคนั้นนี่คาถาอะไรเนี่ยช่วยเหลือคนเรื่องต่างๆคนก็ไปหาแกจะเกิมีตาําราพวกตาําราหมอดูตำลาเรื่องแกเนี่ยแต่แกแกแกไม่ให้ใครเลยเนะคาถาอาคมะอะไรต่างๆเนี่ยแกไม่ให้ใครแล้วแกเป็นคนคาถาอาคมแวดีจริงๆโดยเห็นเขาเล่ากันเย เดือยวมากใจมันแกก็บอกแกไม่สอนใครเราถ้าสอนแล้วเดี๋ยวก็เขาก็จะไม่จะไม่รวยแกเนี่ยสมัยก่อนเวลาหาที่ทางแกก็ไปจับจองนี่เวลาแกไปเขียนชื่อแกเข้าไว้ว่าตรงนี้เป็นที่งังแกไม่มีให้กาแล้วก็ในยกนั้นเน่ะแกแกไปจับที่จองที่เข้าไว้เนี่ยเยอะหมดตอนตอนแกจะบวชเนี่ยดีแกก็ไปนั่นที่ไว้ให้ลูกหลานใ ห, ให้ให้แม่เดียมากให้แม่ยมแม่ จับไว้ให้ห้าร้อยลาห้าร้อยลาดีเยอะนะแกเขียนชื่อแกติดไว้ดันตามต้นไม้บองสลักนี่มีใกล้ใกลแแกออกก็บวชเพราะบวชเบ็เสร็จเนี่ยอุปชาเขาตั้งฉายาหลวงพ่อทพบเนี่ยที่เป็นแกเจียญาเนี่ยเป็นอุปชาท่านตั้งฉายาท่านว่าอาสวูอาสวูเลยแปลว่าหมักดองแปลว่าเล่าคือคือที่รู้อย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมไปเจอใบสุดที่ที่แกทิ้งเขาไว้แล้วแล้วก็อาจารย์ก็เก็บไว้ท่าก็มาให้ก่อนจะบวช ดูแต่ก่อนก็ไม่รู้เฮ้ยธรรมอาถรพนแปลว่าอะไรก็ไม่รู้อยูเมื่มาศึกษาโอ้แปลว่าหมักดองแปลว่าสุราก็คงจะเป็นตั้งแบบให้แกระลึกนนะว่าให้รู้ว่าเนี่ยชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอยู่อยู่กับเหล้าอยู่กับอะไรมาตลอดนะและต่อมาแกก็บวชต่อพืชปฏิบัตินะบวชต่อพืปฏิบัติเยอมยายก็เยอมยายก็โ้โห้โกรธมากหนีบวชเลยยูนึงโกรธด่ดาว่าเลยแกก็ ที่อยู่ต่อมาพอแกบวชได้หลายปีแล้วแกก็มาม า, มาลาลูกหลานแกอกเอเอกูคนคนโบราณนะพูดนะโอ้โหจะไม่กลับมาอีกเลยนะอะไเนะี่ยแกก็เตรียมมีกฎมีบาเจาะแ ก, กจะเข้าป่าแล้วแล้วพวกมึงก็อยู่ก็ทํามากินเลี้ยงกันไปเรื่อแล้วตั้งแต่นั้นเนะี่ยแกก็หายเข้าป่าไปเลยแล้วทุกวันก็ไม่รู้ไปไหนหายเข้าป่าไปเลยตอนอนาะจารย์บวชใหม่ๆเขากลัวจะเป็นกันอย่างเนี้เขาตามใหม่ เขากลัวจะหนีกันเลยเลยไม่ไม่ไม่รู้ศพท่านท่านไปอยู่ไหนไม่รู้แต่แกเป็นคนชํานาญในการอยู่ป่ามากๆนะเลยเพราะแกเป็นผานป่ามาก่อนแต่ไม่รู้เคยเป็นยีธาเ น, นียเข้าป่าดงดิบนะในยุคนั้นใช่ไหมอย่างทุ่งแสลงหลงนะขึ้นเขาไปอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ไปอย่างไรบางทีเราก็ตามไปทางทามหมาแต่ทางพิศโลกมันเชื่อมต่อกันได้เ น, นี่ยเพชรบูรณ์พิศโลกเลยจ้ะ เขาไปถาม บ, บางคลก็บอกบินเห็นมาบ้างแล้วก็หายไปมันออกก็บินบาทบ้างเลยเนีย่ยเราก็ไม่รู้แล้วก็เลยไม่เห็นหาไม่เจอหาศพไม่เจอโอ้แต่อยู่ก็ร้อยกว่าแล้วไม่ไหวแต่แกเป็นคนมีวิชาคมเยอะไม่รู้ไปยังไงกูเนี่ยพอพูดถึงคํ า, าว่าอาสวะนี่นึกถึงฉายาท่านก็ก็เวลาสวดมนตน์นต่างๆกูอยาบูทิปกุสวดให้ท่านด้วยนี่ก็อาศัยแกเป็นคนที่มีมีคนเกรงใจแกเยอะในี่เยอะ ฉะนั้นคําว่าอาสวะเนี่ยอาสวะเหล่านั้นที่ชื่อว่าอาสวะเหมือนเหมือนไอ้น้ําหมักดองเป็นต้นก็หมายความว่ากามาสวะพระวสวะวิชาสวะเนี่ยถ้าพูดกันตามทางโลกแล้วเนี่ยมันหมายของของที่หมักอยู่นานๆ น, น้นานํนาเมาที่หมักไว้นานเขาก็เรียกว่าอาสวะเหมือนกันประธานน้าเมาเป็นต้นนั้นเรียกว่าอาสวะได้เพราะความหมายว่าหมักวไว้นานซไซนยกิเลสเหล่านี้ก็ควรเป็นเช่นนั้นเหมือนกันใช่ไหมท่านก็เลยยกตัวอย่างเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ย น้ำเมาที่มันหมักไว้ น, น, นานๆพวกข้าวพวกถัว่วพวกอะไรต่างๆที่หมักไว้ น, น, นานๆแล้วมันเป็นน้ำเมาได้เนี่ยดันั้นการมาสวะอาสว ะ, สวะคือโลภะเนี่ยภาวาสวะอาสวาเ ก, ก, ก่าวคือโลภะที่ยินดีพอใจในภพหรือทิฏฐิความเหม็นผิดเป็นต้นตลอดถึงอาวิชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องเรียกว่าอาสวะได้เหมือนเดิมคือต้องเรียกว่าสุราได้ว่างั้นเดอมเพราะมันทําให้คนเมาอาสวะเพราะหมายขางว่าหมักไว้นานกิเลสเหล่านั้นก็ควรจะได้ชื่ออย่างนั้นเหมือนกัน พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นของอวิชชาไม่ปรากฏคือไม่ปรากฏว่าในการก่อนแต่นี้มิได้มีชื่อมิได้มีอวิชชาดังนี้ก็เหมือนก่อนว่าอวิชชาเนี่ยถามว่าเราจะไปหาเงื่อนต่อเขาเนี่ยไม่ได้จะปัญหาว่าอวิชชาเกิดเพราะเขามีเหตุปัจจัยเขาก็เกิดขึ้นทีนี้อาสวะก็อาจจะถว่าไหลไปคือไหลไปสู่สังสารทุกข์กามาสวะภาวาสวะวิชชาสวะเนี่ย ไหลไปในกามะพบรูปะพอบอรูปะพบไหลไปหมดในไบยภูมิก็ไหลในรูปภูมิในกามะภูมิทั้งมนุษย์สวรรค์ทั้งรูปะภูมิหอรูปภูมินี่ก็ไหลไปหมดฉะนั้นจะบอกว่าไหลไปในสังสารทุกข์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากิเลสทั้งหลายที่ชื่อว่าอาสวะเนี่ยก็เพราะว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทําให้ประสบความทุกข์ ในพระสูตรกล่าวคือกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นมูลเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันโดยชื่อก็เป็นชื่ออาสวะเป็นต้นที่บอกว่าจุนท่าเราได้แสดงธรรมเพื่อความสังวรระวังเหล่าอาสวะอันเป็นไปในทิฏฐาธรรมเท่านั้นดังนี้กรรมมันเป็นไปในภูมิทั้งสามประหมายา็ว่ากรรมที่เป็นไปในกา ร, รมภูมิรูปภูมิและรูปภูมิและธรมรมอาคุโสลธรรมที่เหลือทั้งหลายที่ชื่อว่าอาสวะในคํำนี้อาสวะทั้งหลายของเราที่เป็นเหตุให้เข้ า, ขาถึงความเป็น เทพหรือเป็นคนทันที่เหาะเหืนได้และเป็นและเป็นเหตุให้เราพึงไปสู่ความเป็นยักษ์ความเป็นมนุษย์และพึงเป็นสัวอันทชาตกาเนิดสิ้นไปแล้วอันเราขจัดได้แล้วทําให้พินาศไปแล้วก็แปลว่าพระเจ้ายืนยันนะบอกว่าอาสวะเนี่ยของพุทธเจ้าที่เป็นเหตุเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมเนี่ยไม่มีแล้วจะเป็นคนทันหรือจะเป็นอาสวะที่เป็นเหตุให้การเหาะได้ที่จะลืมนะบางคนนี่นะเช่น กลุ่มที่ทําฌานทั้งหลายเนี่ยบางคนก็ทําไปด้วยความที่เขาเขานึกว่าฌานสมาบัติทั้งหลายที่เป็นโลกยะฌานเนี่ยจะทําให้เขานั้นเนี่ยสามารถสงบระ ง, งับหรือเข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงได้เมื่อเขาเข้าใจผิดเขาก็เจริญฌานเจริญฌานอย่างเดียวนี่เนี่ยแล้วเขาก็เหาะได้งั้นเหตุแห่งการทําให้เขาเหาะนั่นคือพวกกามะสวะป ว, วาสวะวิชาสวะนี่เนี่ยพระเจ้าบอกลาดได้แล้วหรือไปไปเป็นยักษ์เนี่ยไปเป็นมนุษย์เนี่ยหรือไปสู่ กำเนิดต่างๆไปสู่อันตชักําเนิดเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในเท่าไข่เกิดในยางเหนียวเกิดผุดขึ้นเนี่ยแปลว่าขจัดสิ้นหมดแล้วแปลว่าอาสวะเหล่านั้นกล่าวคือกามาสวาะภาวาสวะวิชาสวะเนี่ยพระพุทธเจ้าจะถาคดทําให้พินาศไปแล้วอันนี้เป็นปัญหาของเราเลยนะเวลาพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้มันเหมือนว่า้คนหมดกิเลสกล่าวคําสอนใช่ไหมให้กับคนมีกิเลสฟังพระเจ้าบอกว่าโลภะ ความยินดีความเพลิดเพลินจะถาคนละเด้แล้วโทษจะถากคนจะละได้หมดแล้วทําให้พินาฏแล้วโมหะก็ทําละได้แล้วทําให้พินาฏไปแล้วเหลือแต่พวกเธอเนี่ยังละไม่ได้เนี่ยแนวทางมีอยู่ให้รีบทําเร่งรีบเร่งด่างบงญก็บอกว่าพรบอกแค่อย่างนี้มันก็ไม่หวนหวายใช่ไหมพระเจ้าก็เลยต้องแสดงโทษให้ดูเนี่ยถ้าเธอจะมัวประมาทมัวเมากันอยู่เนี่ยสังสารวัตรเนี่ยมีโทษเยอะนะอาสาทะก็มีเนี่ยทำให้ยินดีทําให้เพลิดเพลินทำไม่ติดใจก็มีแล้วก็ยังมีอาทีนะวะเนะ เกิดแกเจ็บตายเป็นต้นนี่โหเป็นโทษมากสักขีเห็นทั้งสองใบเออจะนิสารณะคือจะพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงก็องค์ก็แสดงแนวทางอุบายเนี่ยแสดงอุบายว่าข้อปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะพ้นได้เราฟังไหมฟังอสาท่ก็ฟังอาทีนวะก็ฟังนี่ไปไปประมาพระเจ้าแสดงนิสารณะนี่คือคือผ่านนิพพานเนี่ยแล้วก็มานั่งนึกในใจเ อ, อ๊ะถ้าเรายังเข้านิพพานไม่ได้เอาอยัางไงดีเอาเอาสาท่เอาอาสาท่ า, า, าไว้ก่อน ความยินดีและความเบิดอเท่งความยินดีมันไม่เที่ยงพอนไม่เที่ยงเป็นอาธินะว่าเช่นความสุขใจเนี่ยพราะความสุขใจเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นอาธินะว่ากลายเป็นโทษดันดีหรือว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นมีบ้านใช่ไหมเรามีความสุขเพราะมีบ้านมีความสุขเพราะมีรถมีความสุขเพราะมีที่ไร่ที่นามีความสุขเพราะมีเงินมีทองเพราะมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นท้องคงดีนะมันอาจจะเปลี่ยนโดยหลายหลายฐานนะเปลี่ยนถูกฟ้องแค่นี้ก็เป็นทษแล้ก็เป็นโทษแล้ การเข้าไปว่าร้ายผู้อื่นความเดือดร้อนการฆ่าการจองจําเป็นต้นแล้วก็อุ ป, ปัตวะนาน า, นานประการที่เป็นเหตุให้สัสตว์ทั้งหลายสวยทุกข์ในบายนั้นนี่ก็ชื่อว่าอาสวะเช่นในประโยคบอกว่าเราแตถาคตแสดงธรรมเพื่อระมัดระวังอาสวะอันเป็นไปในทิฏฐธรรมและเพื่อบําบับอาสวะที่เป็นไปในสัมปรายภพดังนี้คือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยบอกว่าพระองค์นงเนี่ยแสดงธรรมเนี่ยเพื่อระมัดระวังอาสวะอันเป็นไปในปัจจุบันนี้เนี่ ด้วยแล้วก็อาสวะทั้งหลายที่จะเป็นไปในภพหน้าด้วยขหมายความว่าไม่ให้อาสวะทั้งหลายเกิดขึ้นที่จะเป็นโทษในการประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันด้วยแล้วก็ป้องกันโทษในอนาคตด้วยก็ในที่ในที่ใดอาสวะเหล่านั้นมาโดยประการใดในที่นั้นก็ะเพื่ทราบโดยประการนั้นในพระวินัยนอาสวะทั้งหลายเราใดมีสองอย่างเช่นในประโยคว่าเราจะถากแสดงธรรมเพื่อป้องกันอาสวะที่เป็นไปในทิฏฐ า, ามเพื่อบรบัตอาสวะที่เป็นไปในสัมปรายะภพ พระพุทธเจ้าเวลาแสดงข้อปฏิบัติเข้าไว้เนี่ยจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ให้มีโทษในปัจจุบันเนี่ยเช่นแสดงข้อห้ามเขาไว้เนี่ยเ น, นั้นต้องการอะไรป้องกันหนึ่งในปัจจุบันเราได้ไม่ทําชั่วแล้วจะไม่ไประสบความทุกข์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อเรามีศีลค่อนข้างดีแล้วเนี่ยสัมปร이ยภพบพบหน้าเราก็ปลอดภัยจริงๆพระพุทธเจ้าแสดงพระวินัยเยปิดอกเนี่ยแสดงด้วยพระมหากรุณาคือกรุณาสัตว์โลกน่ยเออสัตว์ไม่รักษาศีลจึงไปยัดเยียดจะในบายใช่ไหมพระองค์ก็เลยเอาศีลมาบอกเรือ่องนี้ย เพราะงันเนี่ยเนี่ยถ้าพวกเธอทั้งหลายไม่ต้องการไปยัดเยียดในอบายทุกข์ทีวิิบัตในโลกเด็กนี่อาศิลไปถือกันไปเรยียนรกันนี่แสดงในความกรุณาพราะองค์ตาดีไงมองทะลุบุบโลงมองเห็นว่าเออเนี่ยถ้าไม่มีศีลเป็นเครื่องสังวรระวังป้องกันนะจะต้องไปยัดเยียดในในนรกเพราะมีความความกรุณาเหมือนเหมือนพ่อแม่กรุณาลกูกใช่ไหมเออถ้าหากไม่มีไม่มีการเรียนไม่มีการศึกษาหรือไม่มีการ ฝึกทักษะอะไรต่างๆอย่านี้ต่อไปในานๆเขาจะเดือดร้อนก็พยายามควรกลัวเนี่ยอันนี้พ่อแม่ก็จะมองแค่แค่แค่นี้แต่พระเจ้ามองทะลุโปบงไม่จฉาเน่นั้นหราใช่ไหมถ้าเธอปฏิบัติผิดในศีลแล้วจะไปยัดเยียดในนรกเนเอาศีลมาแล้วในปัจจุบันนี้ก็จะไม่เดือดร้อนด้วยเลยหนึ่งป้องกันอาสวะในปัจจุบันสองป้องกันอาสวะในสัมปะรยาภูทีนี้ถ้าเรามองบอกอู้ยากใช่ไหมการปฏิบัติทำยากถ้าปฏิบัติทำยากนี่อัมปะรยภูมิก็เป็นของง่ายสําหรับเราใช่ไหม ถ้าเราปฏิบัติทาม็ยากยากมากอบัยภูมิก็เป็นของง่ายดันทีมันก็ต้องมันก็ต้องเลือกอย่างนั้นเพอ เ, เออเราจะเราจะเราจะมันเหมือนว่ามันจะฝืนใจเราในปัจจุบันนี้หรือว่าจะไปถูกตลมาในอนาคตคือต้องมานั่งคิดอีกทีทีนี้ในสรายตนวักมีมาแล้วสามอย่างเช่นในประโยคว่าผู้มีอายุอาสว่าเหล่านี้มีสามอย่างคือการมาสวะพราวสวะวิชาสวะดังนี้ อันนี้กัในสลายยศนาวะทางการแสดงอาสวะสาประการนั่นที่ได้กล่าวอ า, อากรรมมาสวะอาสวะคือการมความยินดีพอใจในกามาคุณเพราะอาสวะอาสวะคือภพยินดีพอใจในภพะอวิชาสวะอาสวะคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่ในพระพิธรรมมีแสดงไว้4ี่อย่างเนี่ยเพิ่มทิฏฐานสวะอาสวะคือความคือทิฏฐิคือไม่รู้คือความเห็นผิดขึ้นมาเลยกลายเป็น4ี่เลยเดวยวนี้ดังนั้นในพิธรรมมีสี่ในพระสูตรก็กล่าวไว้สามเนี่ยนะี่ ว่าโดยปริยายในพิธามีสี่เมื่อว่าโดยปริยาจำแนกอาสวะแล้วมีมาห้าอย่างคือภิกษุทั้งหลายอาสวะที่เป็นเหตุยังสัตว์ให้เข้าถึงนรกก็มีอยู่อาสวะที่เป็นเหตุให้สัตว์เข้าสู่กำเนิดเดือดฉานก็มีอยู่สองเลยนะอาสวะที่เป็นเหตุให้สัตว์เข้าสู่วิสัยแห่งเปรตก็มีอยู่มสามแล้วอาสวะที่เป็นเหตุให้สัตทั้งหลายไปสู่มนุษย์โลกก็มีอยู่มีสี่ อาสวะที่วิกฤติเหตุศตร์ทั้งหลายสู่เทวโลกก็มีอยู่อันนี้มีมีห้าเห็นไหอาสวะเนี่ยมีสามก็ได้มีสี่ก็ได้มีห้าก็ได้มีสามคือกามาสวะพวาสวะอวิชชาสวะมี่สามถ้ามีสี่ก็คือกามาสวะอาสวะคือโลภะกคือความยินดีพอใจในกามนี่พวาสวะอาสวะคือความยินดีพอใจในภพทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิความเห็ผิด แล้วก็เอาวิชาสวะอาสวะอาสวะคือความหลงไม่รู้ดามความจริงนี่สี่นะอาสวะห้ามีไหมมีบอกว่าอาสวะที่เป็นเหตุให้สัตว์เข้าถึงนรกมีใช่ไหมนั้นกามาสวะภวะวสวะทิฏฐสวะวิชาสวะเป็นต้นเหล่านี้เป็นเหตุให้สัตว์ไปตกนรกมีหนึ่งแล้วและอาสวะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปเกิดเป็นสัตว์เบลฉานมีเป็นปานที่สองอาสวะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปเกิดเป็นเปรตทีสามอาสวะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปเกิดเป็นมนุษย์สี่ แล้วก็อาสวะที่เป็นเหตุให้สัสตว์ไปเกิดเป็นเทวดาและเป็นพรมหมฮะนั้นที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่อะไรเป็นเหตุอาสวะนะขอบคุณขอบคุณนะอาส ว, วะทําให้เราได้เป็นมนุษย์ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่มีโอกาสได้ได้เป็นมนุษย์ถ้าเรามองอย่างนี้นะมองเออดีนะเนี่ยเหมือนพวกเหมือนตํารวจเนี่ยก็ขอบคุณโจรนะ เ, เอ อ, อนเพรมีพวกโจรมีพวกก่อการร้ายทําให้ยอดขาบรราศักดิ์ของเราสูงสูงขึ้นใช่ไหมเออทําให้เรามีงบประมาณอย่างพวกตํารวจเออทหารแถวภาคใต้ก็ขอบคุณโจรนะ โวงบประมาณทุ่มไปเป็นหมื่นหมื่นล้านโวเขาสามารถใช้งบประมาณใช่ไหมเแลาเขาตายแต่ละทีได้ทั้งแปดชั้นยอดเจดชั้นยอดอะไรอย่างนี้มีการเลื่อนชั้นแน่ใช่ไหมพระพุทก็ต้องขอบคุณไม่ใช่นี่มองในฐานะไงว่าก็เหมือนอาสวะที่เป็นเหตุให้เราเป็นมนุษย์นี่แหละเออทาให้เราเกิดมาทําให้เราต้องมีดิ้นรนต่อสู้ใช่ไหมเออมันก็น่าสนุกเนะทําให้เราเพลิดเพลินได้กินอาหารอร่อยเลยต่างๆนี่เป็นต้น นี่มาตรงเงินข้ามเนี่ยเออดีนะเพราะอาสวะทําให้เราต้องปวดหัวมีเรื่องมากมีปันปวดปันมีหัวปวดหัวมีตาปวดตามีหลังปวดหลังมีอะไรเนี่ยนี่เส้นปวดเส้นมีเอ็นปวดเอ็นเนี่ยเเอ็นจะมองนี่ไนงะที่จริงว่าอาสวะก็เป็นเหตุให้เราได้อัตภาพในการเป็นมนุษย์ก็ดีใช่ไหแต่มองนน่นมองนี้เป็นค้นนี่นีม่มองมองอีกจุดนึ่งแต่อีกจุดหนึ่งก็คืออย่างไปอยู่ภาคใต้ ถ้ามองในจุดได้งบประมาณก็ดีได้ชั้นยอดก็ดีใช่ไหมแต่ถ้ามองอต้องเจ็บปวดต้องขาขาดต้องทรมานก็ไม่ต่างกันฉะนั้นถึงบอกว่าิงจริงๆก็ต้องขอบคุณถ้าเราต้องการที่จะรักอาสวะ น, นี่เหมือนกันก็ต้องขอบคุณเขาทาให้เราแก่ทาให้เราเจ็บทาให้เราโสก oh า ok ปริเทวะทุกขโทมนาจารย์และอุปายะก็ดีใช่ไหม ถ้ามองอย่างนี้ก็ดีเพราะว่าอาสวะเป็นเหตุให้เกิดเป็นสัตว์นโลกอาสวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอาสวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นเปรตแล้วอาสวะเป็นเหตุทําให้เกิดเป็นมนุษย์อาสวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นเทวดาเป็นลมสรุปแล้วนี้เขาเรียกอาสวะห้าส่วนอาสวะในฉักการนิบาศฉักการนิบาศนั้นบอกว่าอาสวะในในเป็นต้นภิกษุทั้งหลายอาสวะที่ต้องการล่ด้วยสังวรมีอยู่ ส่วนในพระสูตรอาสวะหกเหล่านั้นแลพร้อมด้วยอาสวะที่ต้องละด้วยทัศนะก็รวมเป็นเจ็ดสรุปก็คือว่าในนี้มีหกก็มีมีเจ็ดก็มีถ้าเจ็ดก็ที่เรากําลังศึกษากันเนี่ยอาสวะที่ละได้โดยการเห็นนะเป็นต้นเนี่ยอาสวะที่พึงละได้โดยการเห็นอาสวะที่พึงละได้โดยการเห็นก็มีอาสวะที่ละได้โดยการสังวรก็มีอาสวะที่ละได้โดยการเสพอาสวะที่ละได้โดยการอดกั้นอาสวะที่ละได้โดยการเว้นรอบแล้วก็อาสวะที่ละได้โดยการบรรเทามีหกเนี่ย อันนั้นแบบอาสวะหกถ้าอาสวะเจ็ดก็คือเพิ่มอาสวะที่พึงละได้ด้วยการอบรมนี่ก็เป็นเจ็ดสรุปก็คืออาสวะสามอาสวะสี่อาสวะห้าอาสวะหกแล้วก็อาสวะเจ็ดโดยสรุปก็คือก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมที่ควรละทั้งนั้นเลยอาสวะเนี่ยเประการต่อมาคําว่าสังวรสังวระเนี่ยมาจากคาว่าสัพพาสวะก็คืออาสวะทั้งหลายสัพภาคก็คือทั้งหมดเยสวะก็คืออาสวะทั้งหมด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 อาสวะที่จะเป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกปิดได้ยังตอนนี้อาสวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังไม่ได้ปิดอาสวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นเปรตก็ยังไม่ได้ปิดอาสวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นมนุษย์ก็ยังไม่ได้ปิดอาสวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นเทวดาเป็นพรมก็ยังไม่ได้ปิดสรุปแล้วเราเปิดอาสวะไว้ห้าช่องทางนี่นะห้าช่องทางยังไม่ได้ปิดเลยอันนั้นก็ไปทําการบ้านไว้ทํายังไงจะต้องไปปิดอาสวะเหล่านั้น ถ้าปิดไม่ได้ก็ก็เป็นโทษเลยมันจะเป็นโทษเป็นโทษแก่คนที่ปิดไม่ได้มันเหมือนน้าเสียไหลเลื่อยอยนะแล้วก็ยังหาวิธีการปิดน้ําเสียไม่ได้มันก็ไหลนักเขาก็เรียบร้อยฉะนั้นอาสวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์ประหลาดเป็นเปรตเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นชมนี่ยังไม่ได้ปิดยังไม่ได้ปิดสักถ้ายังไงปิดในใบยภูมิได้ก็ก็ก็แจวแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าตถาคต เรากล่าวสติว่าเป็นเครื่องห้ามกระแสกระแสเหล่านั้นบุคคลปิดกั้นได้ด้วยปัญญาอันนี้มาในสูตรหลายสูตรนในในมหานิเทศกันที่ตอนที่ว่าอชิตะถามถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสติเตสังมิวรนงังสติเป็นเครื่องห้ามกระแสสติเนี่ยนะเป็นเครื่องกั้นกระแสไอกระแสเนี่ยก็คือกระแสของกระแสของทิฏฐิเนี่ย กระแสของกิเลสสิแสงกระแสของทิฏฐิกระแสของอวิชชากระแสของทุจริตทั้งหลายเนี่ยจะเรียนนะว่าในขณะที่เราทางสวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระแสเหล่านี้มันจะไหลมาตลอดเช่นกระแสคือกิเลสใช่ไหมกิเลสมันก็จะเกิดในขณะที่เห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้นลกสัมผัสแล้วคิดนึกอารมณ์ต่างๆและในขณะเดียวกันเมื่อกิเลสเกิดมีราคาโทสาโมหาเป็นต้นเกิดแล้วเนี่ยความเห็นผิดการไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยมันเข้าจะเข้าไปปิดทิฏฐิไปเห็นผิด เห็นว่าเที่ยงบ้างเห็นว่าขาดศูนย์บ้างเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนบ้างเนี่ยทิฏฐิต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้าไปปิดอยู่ตลอดเลยกระแสเหล่านี้เนี่ยทําให้ปัญญาไม่สามารถที่จะไปวิจัยสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ซึ่งในชีวิตปัจจุบันเราจะเห็นว่ามันมันเข้ามาปิดตลอดแล้วก็กระแสคืออวิชชาคือการไม่รู้ตามความจริงทประการต่อมาที่น่ากลัวกระแสคือทุจริตกายทุจริตวัชิทุจริตและมโนทุจริตก็จากตามมาทีนี้ พระเจ้าบอกว่าสตินั้นเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นแล้วบุคคลจะปิดกั้นกระแสเหล่านั้นได้เด็ดขาดก็ด้วยปัญญามั้วิปัสนาปัญญาปิดกั้นได้แต่ทางค้าวทหารทำมรรคปัญญาถึงจะกั้นกระแสเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นอาสวะเนี่ยปิดเนี่ยปิดกระแสเหล่านั้นก็แล้วไม่ให้บาปเกิดแต่ในขณะที่สติเกิดเนี่ยมันปิดได้ชั่วขณะเนี่ยในขณะที่สติเกิดยกตัวอย่างเช่นเวลาเห็นรูปแล้วเราสติเกิดแล้วก็ไม่ให้เราทําบา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 มีความละอายต่อบาปเก่งกลัวต่อบาปบ้างก็สามารถกันได้แต่ถ้าหากว่าเผลอเลยใชเดินมากมันเผลอยาว ม, มันมันนานเลยการความเผลอนึงก็เผลอ น, นานๆแต่ยังกรล่วงละเมิดอีแต่ถ้าหากเวลาใดถ้าหากอบรมสติเอยสัมปชัญญะปัญญาเป็นต้นเหล่านี้ให้เข้าถึงโลกุตละมาร์เวลามาร์ประหารกิเลสปุ๊บเนี่ยเขาเราียกว่าละได้เด็ดขาดเลยนะพละได้เด็ดขาดปุ๊บยกตัวอยา่างเช่นถ้าเป็นพระรยะบุคคลเัินเมื่อไหร่เป็นวสดาบานเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยแปลว่า อาสวะที่เป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกอาสวะที่เป็นเหตุให้ไปเกิดสัตว์จระชานอาสวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นเปรตขาดเลอาสวะเหล่านั้นขาดก็ยังไม่เหลือเลยเหลือแต่อาสวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเห็นไหมง่ายขึ้นเยอะเลยซึ่งเป็นเรื่องหน้าทำนะใช่ไหมน่าจะได้นะก็ตอนนั้นไปที่ไปไปที่ไปที่อยุธยาเนี่ยยอมก็บอกว่าเด็เขายอมก็บอกว่าเออเขาเขาจะทํำยังไงเขาถึงจะสามารถปฏิบัติและบรรลุได้ แกยอติเจ็สิบสามแล้วก็เลยถามเยอมทุกวันนี้ทําอะไรใช่ไหมก็เลยถามว่าชีวิตทําอะไรโอ้เดี๋ยวนี้งานเยอะมากแกก็ยังมีแล้วไม่ว่าชมลมอะไรในจังหวัดในยโธยาเนี่ยเขาเป็นกรรมการร่วมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชมลมเลยมูลนิธิอะไรเลยไม่ว่างเลยวันๆไปประชุมที่นู่นบังไปประชุมที่นี่บังงานนั้นงานนั้นงานกาชาติงานอะไรสารพัดหมดต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้ะวันๆแกก็จะไปอย่างงี้ ไม่มีเวลาไหมแต่นั้นนะจะได้มาฟังทำด้วยทีแต่แคอยากบรรลุพฤติกรรมกับความคิดมันคนละเรื่องกันใช่ไหมก็เลยบอกก็บอกแกตรงๆว่าจะเป็นอย่างนี้จะไปบรรลุอะไรถามไม่ใจอยากบรรลุอย่งนอยากทํางานเหล่านี้พูดเพื่อให้ดูดีหรือเปล่าใช่ไมเพราะอยากบรรลุปฏิปทาศรัทธาไม่ใช่อย่างนี้ต้องดูดูพระดูอนาถินิกาเศรษฐีดู ว, วิสาขามหาวิสิกาเป็นต้นดูท่านวิสาขาดูนางธรรมทินนาเป็นต้นดูท่านเหล่านี้ดี คนเขาอยากไปรู้กันเขาทากันยังไงแล้วเขานอบน้อมกับพระเจ้าขนาดไหนนี่เราอยากไปรู้แต่เรายังโอ้โหงานสังคมงานอะไไม่ขาดเลยยุ่งเลยแล้วไปตรงนั้นมันเป็นสมาธิที่ไหนเราไปคุยคุยเรื่องอะไรกันเจอหน้ากันก็คุยอะไรก็เลยบอกว่าเจอหน้ากันก็ถามเออเป็นยังไงอบรมศินสมาธิปัญญาทานสินภาวนาไปแค่ไหนแล้วมีคุยเรื่องนี้ไหมล่ะใช่ไหมเจอหน้ากันมีการคุยเออเป็นยังไงตอนนี้อิริโอตปะ ความป้องกันละอายเกรงกลัวต่อบาปเป็นต้นเหล่มนี้เกิดแค่ไหนตอนนี้ตรึกจเจริญพุทธคุณได้ดีไหมอะไรเจอเอากรรมาฐานมาสวดน า, า น, นาแล้ไม่มีมีกพ่เรื่องไปเลยจะช่วยคนอื่นจะพ่พื่อตนเองก็ยังติด ค, คุกอยู่ไม่ยอมพยายามแก้พันธนาการก็เยอะพูดอย่างนี้จะบอกท่านท่านว่ายมตรงๆเลยเมก็ไม่รู้จะเกรงใจทำไมแล้วยอมบอกว่าอยากบรรลุอ่ะบอกอยากบรรลุ เอยากบรรลุแปดอยากบรรลุเด็ดเลยทำอีกอย่างเลยเงียบไปเลยจะนี้จะนี้อดเวทีเงียบไปเลยแปดดีแกมีแต่ดูดูถ้าแกพยายามเจริญกุศลแกจะได้ดีเลยนะแกไปสร้างไอ้ที่ปฏิบัติเนี่ยในวัดเอีเอ่วัดกสัตราสร้างไปหลายสิบล้านเลงเงินแกนเองนะแกขายที่ขายทางเลยได้ก็สร้างให้คนมาอบรมมาพฤติปฏิบัติฝึกลูกเสือบ้างฝึกฝีมือแรงงานบ้าง เขบอกโยมก็อาจเลือห้องนี้โยมเอาเป็นที่ปฏิบัติเดียวก็ได้นี่มีห้องอุงห้องแอร์อย่างดีก็ทํานะเป็นที่สวดมนต์ไหว้ผ้าเป็นห้องแอร์เป็นที่เจริญกรรมาฐานก็ที่วัดอันั้นก็ดีอยู่แล้วเสื้อผ้าเขาให้แต่บอกก็ไม่ว่างดีท่านยุ่งมันต้องตัดแล้วบุญไหว้อะไรขนาดนั้นเจ็ดสิบสามแล้วตกบอกแกยังแข็งแรงเจ็ดสิบสามยังแข็งเลยทีนี้สังวรห้านะศีลสังวรสติสังวรยาหน้สังวรขันติสังวรวิริยะสังวร ในบรรดาสังวรเหล่านั้นสังวรที่ตรัสบอกภิกษุประกอบไปด้วยปาฏิโมกสังวรนี้ชื่อว่าศีลสังวรปาฏิโมกสังวรก็คือการสํารวมในศีเนี่ยนะก็คือเป็นศีลของภิกษุหรือของฆราวาสนั้นเป็นศีลสังวรความจริงปาฏิโมกสังวรเนี่ยท่านกล่าวว่าสังวรในที่นี้สังวรในคําเป็นต้นภิกษุย่อมถึงความสํารวมในจักขุนสีชื่อว่าสติสังวรก็คือว่าสังวรระวังใน ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอันนั้นเรียกอินทรีย์สังวรหรือเรียกว่าสติสังวรก็สติท่านกล่าวว่าสังวรในที่นี้ <c oughs> ฉะนั้นปาฏิโมกสังวรศีลก็คือการสำรวมในพระปฏิโมกเว้นในข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามแล้วก็ทำตามที่พระองค์สอนให้ประพฤติฉ น, นั้นเป็นปฏิโมกสังวรไปส่วนสติสังวรหรืออินทรียสังวรก็คือการระมัดระวังไม่ให้บาปเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอันนี้เป็นอินทรีย์สังวรหรือสติสังวร สังวรที่ตรัสว่าเราจะถาคตกล่าวยานว่าเป็นเครื่องกั้นกระแสะเหล่านั้นบุคคลย่อมปิดกั้นได้ด้วยปัญญานั้นเชื่อว่ายานหนสังวรอันนี้เป็นปัญญาเนี่ยยานหสังวรในที่นี้ก็แปลว่าการปิดไม่ให้บาปเกิดขึ้นนะนะกั้นกระแสกระแสคือตันหากระแสคือกระแสคือกิเลสกระแสคือตันหากระแสคือทิฏฐิกระแสะคืออวิชชากระแสะคือทุจริตที่มันจะไหลามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ กันด้วยสติแล้วก็ละได้ด้วยปัญญานั้นเป็นญาณนะสังวรที่กล่าวไว้ทีนี้ที่การเก่าสังวรด้วยการปิดไว้ได้ด้วยบทว่าปิเีเรขันติสังวรและวิยาสังวรมาในสู่รนี้โดยในเป็นต้วนวะภิกษุเป็นผู้อดทนอดทนต่อความหนาะอดทนต่อความเจ็บใจเป็นต้นเหล่าเนี้ยแล้วก็อันั้นเรียกว่าขันติสังวรแล้วก็ไม่ยอมไม่วิตก ไม่ให้กามวิตกครอบงำไม่ให้พยาบาทวิตกครอบงำไม่ให้วิหิงสาวิตกครอบงำอันนั้นเป็นวิริยาสังวรดังนั้นสังวรนั้นท่านทรงเคาะด้วยอุเทศทำว่าสภาสวะสังวรสังวรปริยาอย่างนี้ก็หมายความว่าสังวรเนี่ยสภาสวะเนี่ยนะก็แปลว่าสวะในที่นั้นมีชื่อของการสังวรทีนี้สังวรในที่นั้นท่านก็กล่าวในเรื่องของเอาสังวรห้ามากล่าวเนี่ยเอาศีลสังวร ก็คือปาติโมกสังวรเอาสติสังวรก็คืออินทรียสังวรเอายานะสังวรเอาขันติสังวรเอาวุริยสังวรทั้งห้าประการนี้มากล่าวเขาไว้มากล่าวเขาไว้ก็คือเป็นเชิงการปิดการกั้นการห้ามไม่ให้บาปอกุศล ต, ต่างๆเกิดขึ้น <Math. S 2> ทีนี้ในสังวรห้านั้นเน่ยมาในสูตรนี้เหมือนกันขันติสังวรวุริยสังวรท่านกล่าวไว้ก่อนแล้วทีเดียวพิกษูพิจารณาใช้เสนาสนะ อะโครจร น, นั้นโดยแยบคายอันนั้นเป็นสี่สังวรนนะก็เหมือนกันว่าเวลาพระจะเดินทางไปไหนจะใช้อะไรต่างๆเป็นต้นเหล่า น, นี้ก็ ก, ก, ก็ก็ต้องพิจารณาถึงนั้นอันนั้นเป็นหลักเป็นหลักการในการที่ต้องพิจารณาอยู่แล้วทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าอธิบายคําว่าทัศนะอาสวะที่พึงละได้โดยการสังวรหรือโดยการเห็นทัศนะนี่นะทัศนะโดยการเห็นเนี่ยการเห็นอยู่เนี่ยทั้งสองอย่างนั้นเนื้อความเดียวกันนะ รู้อยู่ชาณาโตคําว่าปัสตโตรู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยพยัญชนะต่างแต่เนื้อความอันเดียวกันการรู้อยู่การเห็นอยู่ <c oughs> พระพุทธเจ้าแสดงถึงบุคคลโดยมุ่งถึงลักษณะของยานด้วยบทว่าชาณาโตความจริงยานนี้มีความรู้เป็นลักษณะและแสดงถึงบุคคลด้วยมุ่งถึงอํานาจของยานในบทวปัสสโตเห็นอยู่นี่นะเป็นความจริงยานมีอานาจในการเห็นบุคคลเมื่อพรั่งพร้อมด้วยยานย่อมเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยไว้ด้วยยานนั้น เปรียบจะเหมือนคนตาดีมองเห็นรูปด้วยจกักขุฉะนั้นบอกเอาว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยเวลาพระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยเนี่ยบอกว่าบุคคลผู้ทั้งพร้อมด้วยญาณก็แปลว่าบุคคลผู้ทั้งพร้อมด้วยญาณปัญญานี่เนะี่ย่อมเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยด้วยญาณ น, นั้นเวลาพระเจ้ากล่าวอะไรขึ้นมาหมายถึงพระเจ้าเปิดเผยปกติของเหล่านี้จะถูกปิดมาหลายสังสารวัฏใช่ไหมพอพระเจ้ามากล่าวว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกนี้ คนมีญาณปัญญาก็จะเห็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยมาแต่ถ้าคนไม่มีปัญญามันเหมือนคนตาบอดนะแล้เปิดของอะไรเขาดูก็ก็ไม่เห็นนั่ก็ไม่ต่างอะไรกันเปรียบเหมือนคนตาดีมองเห็นรูปด้วยจักษุทีนี้เพื่อให้โยนิสโสมนัสการเกิดขึ้นและอาโยนิสโสมนัสการไม่เกิดขึ้นแก่ผู้เห็นอยู่เหมือนอะไรเหมือนแกไม่เกิดขึ้นแก่ผู้รู้อยู่เช่นั้นสาระสาคัญก็คือว่าพระพุทธเจ้าแสดงอะไรก่อนที่จะแสดงอาสวะที่ล้าได้โดยการเห็นเป็นต้นเนี่ยพระเจ้าแสดง โยนิโสมณัสิการและอโยนิโสมนัสิการก็บอกว่าโยนิโสมณัสิกาการพิจารณาโดยแยบคายนอกจากจะเป็นเหตุแห่งการปิดกั้นอาสวะด้วยการเห็นตามความเป็นจริงเป็นต้นแล้วเนี่ยยังเป็นเหตุให้การละอาสวะได้อีกหกประการด้วยเช่นอาสวะที่พึงละได้โดยการสํารวมที่ละได้โดยการซ่องเศพที่ละได้โดยการอดกั้นละได้โดยการเว้นละได้โดยการบรรเทาแล้วก็ละได้โดยการเจริญเห็นไหฉะนั้นปัญหาก็ว่า พระเจ้าแสดงโยนิโสเข้าไว้แล้วก็เพื่อจะให้ละอะไรละอาโยนิโสมีเป็นอย่างนี้บทว่าอาสวานังขยังก็แปลว่าการละอาสวะคือการเกิดคือการเกิดความสิ้นไปโดยไม่มีเหลือได้แก่อาการสิ้นไปหมายความว่าการไม่มีแห่งอาสวะทั้งหลายขยะขยะเนี่ยขยะนี่ก็แปลว่าสิ้นขยะคือคําว่าขยะขยะนี่แปลว่าสิ้นสิ้นไป เสื่อมไปเลยเดี๋ยวมาไปเก็บขยะขยะคือสิ้นมีความหมายว่าสิ้นอาสะวะทั้งในสูตรนี้ทั้งในประโยคเป็นต้น อ, อาสวานังขยาอนาส ว, านวันเจโตวิมุตติจิงวิมุตติงแม่มรรคผลนิพพานท่านเรียกว่าธรรมที่เป็นที่สิ้นไปของอาสะวะมรรคนี้เป็นธรรมที่สิ้นไปของอาสวะใช่ไหมใช่ผลล่ะใช่นิพพานเลยใช่เป็นธรรมที่สิ้นไปของอาสวะท่านกล่าวว่าเป็นธรรมที่สิ้นไปออาสะวะมรรคท่านาาเน ร, รียก ทำเป็นที่สิ้นไปอาสวะเช่นเดี๋ยวจะบอกว่าออโสดาภิมักสกาชาคามีมกักอน า, าคามีมกักอารหัตมักที่เรียวกว่าเป็นความสิ้นไปแห่งอาสวะเพราะความสิ้นไปอาสวะของเสกขบุคคลผู้ที่กําลังศึกษาผู้ดําเนินตามทางตรงกล่าวคือมักมีองแปดญา น, นะคือสัมมาทิฐิย่อมเกิดก่อนต่อจากนั้นอาราัผลจึงมีโดยลําดับต่อไปดังนี้เขาบอกว่าเวลากล่าวตามลําดับแห่ง เทศนาเนี่ยสัมมาทิฏฐิเกิดก่อนคือเห็นถูกต้องเห็นในอริย ส, สี่นะสัมมาสังกปะก็คือดําริถูกต้องก็คือดําริในกุศลสังกปะสามสัมมาวาจา ก, การเจราจาถูกต้องก็คือเว้นจากวจีทุจริตสี่สัมมากรรมตาก็คือการงานถูกต้องก็เว้นจากกายทุจริตสามสัมมาอาชีวการเลี้ยงชีพถูกต้องก็เว้นจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่สัมมา วายามะก็ความเพียรถูกต้องก็เพียรในสัมมาประธานทั้งสี่สัมมาสติก็คือระลึกถูกต้องระลึกในสติประฐานสี่สัมมาสมาธิก็คือความตั้งมั่นที่ถูกต้องหรือตั้งมั่นในฌานทั้งสี่ฉะนั้นล้ำดับเพ่งเทศนารำดับเพ่งการเกิดขึ้นเนก็คือว่าญานะคือสัมมาทิฏีิย่ยอมเกิดขึ้นก่อนต่อจากนั้นก็จะเป็นปัจจัยแห่งการสังกปะเป็นต้นเหล่านี้นทีนี้พอสามารถประชุมมาร์กนี่เนะี่ยปกติเนี่ย มร์องแปดเนี่ยนะเราประชุมได้ไม่พร้อมกันพอประชุมได้ไม่พร้อมกันเนี่ยก็ลากิเลสไม่ได้อันนี้เป็นมันแค่เนี้ยโดยหลักจริงๆนี่นะโดยหลักการปฏิบัติเนี่ยก็คือว่าทํำยังไงเราจะประชุมมร์มีองแปดให้เกิดพร้อมกันได้ในขณะจิตซึ่งถ้าโลกียะจิตเนี่ยหมดสิทธิ์ในการที่จะประชุมมร์มีองแปดมร์กเกิดไม่ครบแต่ถ้าหากสามารถวันใดวันหนึ่งเราเรียกประชุมมรนะ์มีองแปดได้ครบแปดองในขณะจิตใด ในขณะจิตนั้นเรียกว่ามรคที่เมื่อมรค ก, กจิตเกิดขึ้นมาแล้วจิตอันนั้นแหละจับทาจิตในการมหาอินทรีย์หน้าที่ของเราดูง่ายใช่ไหมเวลาฟังฟังอย่างนี้เหมเหมือนจะง่ายจังที่ปัญหาก็คือแล้วปัจจุบันบางทีเราจะทํายังไงที่จะเรียกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นเหล่าเนี้ยมาประชุมบางทีมาได้มรคสองมรคสา 3, มา 4, มรคสี่มรคห้ามรคนอกนั้นไม่ยอมมาทั้งทิที่ไม่มาเพราะอะไรรู้ไหมเหตุตัดใจไม่พอ เรียกประชุมไม่ได้เขาเรียกอํานาจไม่พอเรียกไปบ่อยเหลือเกินแต่อ้อนวอนเรียกเลยไม่ค่อยได้ก็ต้องต้องหาวิธีเรียกมาก็เลยไม่ได้บรร ล, ลุอะไรหาผลเพราะเราอะไรเพราะประชุมมากไม่ได้แต่ก็ตั้งอัธยาศัยเขาไว้ใช่ไหมบคุคคลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่ก่อนที่พระเจ้าจักเสด็จดับกันธจ บ, บริณีพานก็คือบริพาชกสุภาธาบริพาชกเป็นองค์สุดท้ายนี่นะเบทานเิยมพทธเจ้าตั้งแต่พระเจ้าบัตรเกิดขึ้นมาจนพระเจ้าแสดงให้คนสุดท้าย ท่านพระอา ญ, ญาโกณัญญาได้บรรลุคนแรกท่านสุภัสท้าปริภาชกเป็นพออาาระอรหันได้บรรลุองค์งงสุดท้ายองค์แรกกับองค์สุดท้ายนั้นหมดยุคที่ได้เห็นมรรคได้จ้าตอนนั้นมาเขาก็ยังประชุมมาร์กกันได้มาเรื่อยๆเลยนะตามลำดับเปยนี่มาถึงยุคพวกเรานี่ก็เลยแถวไปเยอะเลยตรงนี้การเรียกประชุมมาร์กไม่ค่อยขังไม่ค่อยขังเท่าไหร่ก็ต้องก็ต้องไปหาอุบายวิธีตามคําสอนให้ถูกต้อง ผลทั้งกล่าวว่าเป็นธรรมที่พิสิ้นไปอาสวะมร์ก็สิ้นไปในประโยควา่าบุคคลเป็นสมณะได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะถามว่าเออการจะเป็นสมณะสมณะแปลว่าพู้สงบบาปทางกายทางวาจาทางใจ น, นี่จะเป็นสมณะได้ก็เพราะความสิ้นไปแห่งอ า, า, วาสวะตราบใดถ้าอาสวะคือการมาสวะภาสวะวิชาสวะเนี่ยยังไม่สิ้นไปเนี่ยจะเรียกว่าสมณะจริงๆเนี่ยไม่ได้ แต่เราเห็นนักบวชเนี่ยเราเรียกว่าสมณะโดยสมมตินได้แต่โดยจริงๆยังไม่ได้เพราะท่านยังไม่ได้บรรลุอริยผลแต่ถ้าใครบรรลุอริยผลแล้วก็เรียกท่านบุญนั้นว่าเป็นสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบบาปได้นิพพานท่านกล่าวว่าเป็นธรรมที่เป็นสิ้นที่สิ้นไป อ, อาสวะอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ตามเห็นโทษของผู้อื่นผู้มีปกติเพ่งโทษเป็นนิสั้น เขาย่อมอยู่อย่างห่างไกลจากทำที่สิ้นไปอาสวะซึงจริงๆนะตามอาสวะภ า, า, าวาสวะอวิชชาสวะเนี่ยจะเจริญแก่ใครแก่คนที่เพ่งโทษที่ยังไม่มองคนอื่นทําผิดอยู่เรื่อยเนี่ยนะคนนั้นทําไม่ถูกคนนี้ทําผิดอะไรต่างๆเล ย, เลยไปเพ่งโทษเขาหรือผู้มีปกติเพ่งโทษเป็นนิตรเพ่งโทษเป็นนิตรย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ตามเห็นโทษของผู้อื่นผู้มีปกติเพ่งโทษ เป็นนี้เขาย่อมอยู่ห่างไกลจากธรรมที่เป็นที่สิ้นไปอาสวะอันนี้กลุ่มบุคคลเหล่านี้อย่าห่างไกลมัคือถ้ามองอะไรมันยังขัดเครืองแล้วเป็นไหมหรือมันยังติดขัดที่เราอาจจะไม่พูดออกมาก็ได้ใช่ไหมมองโต๊ะมองเก้าอี้มองอะไรหงุดหงิ ด, ด, ดอยู่เรื่อยเลยสมมุติอย่านี้นะมันยังขัดเครืองอยู่เลยหรือว่ายังเพ่งตรงนั้นก็ต้องอย่างนั้นตรงนี้รักเลยรือจิตใจมันติดขัดเพราะความขุ่นข้องเพราะความหมองมวนมีห่างไกลจากพระนิพพานกัน ทำงานใจออกไปมันเคยเป็น ต, ตรงนั้นแหละมันเป็นตัวตัวทำให้เราห่างมันติดขัดแค่ไม่ในโลกใบนี้มันมันจัดแจงอะไรได้ไม่มากในโลกใบนี้ไม่มันมันไม่ใช่ถึงกันนั้นเพียงแต่ว่าทํายังไงที่ใจเราจะไม่ไม่ไม่ขุ่คนคล้องอยูนนะ่ใช่ไหมไม่ติดขัดคือมันเป็นปัญหาอยู่เลยแล้วก็จะตั้งประโยคคําถามพอตั้งคําถามปุบ๊บเราก็อยากหาคําตอบทีนี้ถ้าตั้งคําถามในเรื่อง ในเรื่องของการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เป็นตัวอะไรนี่ถ้าตั้งคําถามเยตรงนี้มันมันจะน้อมไปในการปฏิบัติถามว่าเอถ้าเราในชีวิตประจําวันเนี่ยถ้าทัศน์เนี่ยวิธีคิดทัาน์เนี่ยท่านคิดยังไงอย่างกรณีที่ท่านไปอยู่หนะ้าที่ใดต่างๆอะไรเนี้ยถ้าหากว่าที่ตรงนั้นท่านจเจริญกุศลไม่ได้เนี่ยถ้าอยู่ๆไปในตัวท่านจะแย่เองเนี่ยท่านถ้าไปกลางคืนท่านไปกลางคืนเลย ท, ท่านจะไม่อยู่เลยที่ตรงนี้คือถ้าอยู่แล้วมันจะติดขัดมากแล้วมันจะเป็นปัญหาจะทําให้ท่านได้บาปได้อกุศลแล้วก็เป็นเหตุให้ท่านต้องตกนรกท่านท่านจะไม่อยู่ที่ตรงนี้บางแห่งถ้าอยู่ยยในภาษาให้ให้ให้หนีไปได้ด้วยเนี่ยไม่เป็นอบัติด้วยเพียงแต่ภรษาขาดเท่า น, นั้นเองถ้าหากไปอยู่หนะ้าที่ใดเป็นโทษเนะ่ยถ้าอยู่กลางรรษานเนี่ยให้หนีไปเลยพระเจ้าบอกให้หนีไปเลยเดีย๋ยวเป็นโทษทีนี้ปัญหาคือว่าอาสวะที่เป็นมีปกติเพ่งโทษ หรือว่าเห็นตามเห็นโทษของผู้อื่นตลอดถึงมีปกติตเพ่งโทษเป็นเป็นนิดคือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสอนว่าให้เพ่งโทษตนเองมากกว่าเพ่งโทษบุคคลอื่นเออวิธีเพ่งโทษตนเองเพ่งยังไงเ อ, อ๊ะทำไมเราต้องมาเกี่ยวข้องกับคนคนนี้คนนี้นใช่ไหมเออคนไม่ดีเลยเดี๋มากรอบรอบเราเนี่ยทำไมต้องเกี่ยวข้องมันนี่ถ้าเรามองในปัจจุบันเนี่ยมันเห็นแค่ปัจจุบัน แต่ถ้ามองอดีตรเราจะร้อง อ, อ๋อแล้วโอ้เราทํากรรมแบบนี้มาดีทิ้งต้องมาเกี่ยวพันกับบุคคลเหล่านี้โอ้โอกุศลกรรมเนี่ยเวลามันตามให้ผลมันตามแบบนี้นี่เองมันเหมือนดีแต่มันไม่ดีเนี่ยมันเป็นแค่ของเหมือนไม่ใช่ของจริงเนี่ยเออที่เราต้องมาเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้ทีนี้วิธีคิดต้องคิดยังไงคิดเออเมื่อเราต้องมาเกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้เอีอ่เราจะทํายังไงที่จะให้ไม่ได้บาสนี่จะเริ่มหาหานทางออกเลยแต่ถ้าเราไม่สาวอดีตนี่นะแต่เราไม่สาวอดีตแย่ยังดำนี่เราก็มาได้บาปกับ ม า, มาทําบ่าวก็มีนี่อะไรเด็กเด็กที่อยู่เวลาเขาอยู่กับอาจารย์ก็ดีดีตามมาก็ไม่ชี้ก็ไปโอ้โหดื้อที่เอามาอยู่แล้วที่เอามาไวใ้ใหม่แต่าะเอามาไว้ใหม่ปุ๊บเนี่ยเขามาสังเกตดูอ๋อจริงๆเนี่ยเวลามันมันมันแล้วแต่บุญของใครจริงๆในเรื่อง่างเนี้ยถ้าคนมีบุญนี่เนี่ยเออแปลกบอกคนนะคนเขาเชื่อเยอะใช่ไหมให้สังเกตดูในพรกพุทธเจ้าเนี่ยเวลาบอกอะไรใครเนี่ย เช่นบอกพนันท่าดูก่อนนันท่าเธอจงบวชเธอแค่นั้นไม่ต้องพูดมากโอ้ยต้องบวชจริงๆต้องมีใจไม่อยากบวชอย่างเล่าที่บอกใครเนี่ยบอกบอกพุ่มต่อหน้าเหมือนดีนี่เนี่ยมาเดินออกห่างลูกสามสี่วันนีต้ตลกเท่ถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้เสี ย, แ ล, แ, ยแล้วก็แก้ไขไปเองก็จะเลยบุญให้มากเอตรงไหนติดขัดแล้วก็แก้ไขไปตามสภาพนั้นแต่ต้องระวังก็คือว่าเออเราจิตใจเราจะไม่ มีอาสวะทั้งหลายต่างๆเป็นเครื่องทําให้เราเศร้าหมองไ อ, อ้ตรงนี้เป็นเป็นเรื่องดีสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็เพ่งพิจารณาตัวเองก็ว่าออี่เหตุที่เราทํามาเรื่องมาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ทีนี้เมื่อเราเกะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เราจะทํายังไงที่เราเจ็บปวดน้อยที่สุดก็แค่ตรงนี้มันต้องเจ็บปวดอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทำยังไงให้มันน้อยที่สุดหมายความว่าปัจจุบันและอนาคตด้วย่างเช่นถ้าเราไปตู้รถตบมือกับเขาเนี่ยในส่วนจริงมันเจ็บปวดปัจจุบันน้อยและอนาคตเราก็เจ็บปวดดือย แสดงว่าเขาเองก็ต้องเกี่ยวพันกับเรามาในสังสารวัตรใช่ไหมที่ต้องมาอยู่มาร่วมกับเราเนี่ยต้องเกี่ยวพันอยนางเมื่อก่ น, น, นก็ถึงขนาดว่าเอาแล้วเจอกันชาติเดียวแต่พูดได้แต่มันจริงๆที่ทำกรรมร่วมกันมันเยอะจัดเดี๋ยวไปเจอกันอีกอ้าวไม่แล้วมาเจออีกแล้วจะจะถามหน้าไหนก็ว่ากันบทว่าโนอะชาณโตนะอาปัสโตผู้ก็ผู้ใดไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่ เราตถาคตไม่กล่าวความสิ้นไปของอาสวะของบุคคลนั้นไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่คนที่ไม่มียานปัญญาแปลว่าคนที่ถ้าพระพุทธเจ้ากล่าวแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็จะไม่กล่าวความสิ้นไปอาสวะบุคคลนั้นชนเราได้กล่าวถึงความบริสุทธิ์ด้วยสังวรเป็นต้นแม้ของบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นชนเหล่านั้นเป็นอันท่าน คัดค้านในบทวนโนชาณโตนนปัสโตคุณต้องส่วนคําว่าชาณโตประชาณโตรู้อยู่ปัสโตเห็นอยู่เนี่ยเป็นอันพระพุทธพระผูุ้ทธภาคเจ้าได้ตัดอุบายแล้วด้วยสองประการนะอันพระผู้ทธตัดการปฏิเสธอุบายแล้ะเวน้นยานั้นพระผูุ้ทธภาคเจ้าทรงสแสดงว่าเป็นธรรมเครื่องปิดกั้นอาสวะทั้งหลายโดยสังขีอันนี้เป็นสแสดงโดยย่อบัดนี้ พระผู้มาพาพเจ้าทรงมีพระประสงค์จะแสดงธรรมที่ภิกษุผู้รู้อยู่ซึ่งความสิ้นไปอาสวะทั้งหลายจึงทรงสแสดงออกวิจิติกเวชาวนาโตยตังนี้เป็นต้นแล้วก็แสดงบอกว่าความรู้มีหลายอย่างนะความจริงภิกษุกลางรูปผู้มีชาติฉลาดย่อมรู้วิธีทำกดลางโลกก็มีวิธทีทวรเป็นต้นคือพระพุเจ้าบอกว่าภิกษุ ความรู้มีหลายอย่างนะภิกษุบางรูปก็ฉล า, าดในการที่จะทำกรดบางรูปก็ฉล า, าดในการที่จะทำจีวรบางโลกก็ฉล า, าดในการที่จะทำเสนาสนะอย่างใดอย่างหนึง่งเมื่อภิกูุน์ดำรงอยู่ในข้อวัดกระทำกรรมเช่นนั้นอยู่ความรู้เช่นนั้นไม่ควรจะกล่าวว่าไม่เป็นประทัดฐานของมรรคส่วนภิกูุใดบวชในาศาสนาแล้วรู้วิธีทาเวชกรรมเป็นต้น เมื่อภิกษุนั้นรู้อย่างนี้อาสวะทั้งหลายย่อมเจริญทีเดียวตรงนี้ก็บอกว่าพระภิกษุที่มีความรู้ในการทํากรดทาบาตรทำจีวรเนี่ยความรู้เหล่านั้นเน่ยไม่ใช่ไม่สําคัญนะสําคัญก็คือในขณะที่ทําสิ่งเหล่านั้นก็ต้องใส่ใจมรสิการสํารวมให้ดีว่าจะเป็นประทาฐานแก่มขรลได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้แสดงให้เห็นชัดว่าการทํางานทั้งหลายเนี่ยแต่ถ้าหากมีสติสัมปชัญญะในการประกอบทําสิ่งที่ถูกต้อง ไม่นอกพุทธบัญญัติเนี่ยพุทเจ้าก็สรรเสริญเนี่ยเป็นข้อว่าปฏิบัติที่พึงกระทำไม่ใช่พระอยู่มาแล้วไม่ทําอะไรเลยเนี่ยจิตของตนเองไม่ทำในเรื่องบาตร ท, ทายัางไงจีวรทํำยังไงอาสนะทํำยังไงเนี่ยพระต้องรู้แต่ถ้าไปรู้เรื่องเวชกรรมเวชกรรมเกี่ยวกับการรักษาเป็นต้นเหล่านี้อาสวะทั้งหลายย่อมเจริญทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อภิกษุเห็นทำใดความสิ้นอาสวะทั้งหลายเกิดมีได้เมื่อจะทรงแสดงทำเหล่านั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสโยนิโสจะมานัสกาโรโยนิโสเป็นต้น คือผู้เจ้าแสดงโยนิโสและอาโยนิโสมนสิการก่อนที่จะแสดงเกี่ยวเรื่องอาสวะก็แสดงบอกว่าเหตุที่จะเป็นปัจจัยให้ความสิ้นไป อ, อาสวะคือโยนิโสมนสิการเนะี่ยแต่ถ้าเหตุที่จะทำให้อาสว ะ, จะเจริญขึ้นมาได้ก็คืออาโยนิโสนะแสดงนี้แล้วก็แสดงว่าการกระทําไว้ในใจโดยถูกอุบายอันนี้เป็นโยนิโสมนสิการเนะ การทําไว้ในใจโดยถูกทางการนึกการน้อมนึกการผูกใจการใฝ่ใจการทําไว้ในใจซึ่งอันนี้จะลักษณะเป็นต้นโดยในเป็นต้นว่าไม่เที่ยงอันนี้เป็นเป็นโยนิสโสมนัสิการจะเป็นอย่างนี้นะให้สังเกตดูนะว่าโยนิสโสมนัสิการเนี่ยใช้หลายความหมายใช้คําว่าทําไว้ในใจโดยถูกอุบายทําไว้ในใจโดยถูกทางถูกทางให้ถูกเลยเช่นว่าการคิดนึกเข้าหา สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะเป็นต้นเนี่ยหรือการนึกก็ได้หรือการน้อมนึกการผูกใจการฝ่ใจการทําไว้ในใจเนี่ยอเช่นการนึกเช่นนึกถามว่าการเจริญวิปัสสนานี่นึกได้ไหมได้เช่นนึกว่าไม่เที่ยง น, ยนึกเท่านิเจะลักษณะมีความเปลี่ยนไปสิ้นไปเลองนึกดูดิแค่เราน้อมนึกถึงตัตัวเราเองเ เนึ่องแต่เด็กๆโอ้มันเปลี่ยนมามากเลยเนี่ยทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งอุดมการณ์ของเราที่เคยคิดใช่ไหมมันเปลี่ยนตลอดเวลาเลยเนี่ยมาจานถึงปัจจุบันนี้อันนี้เห็นเลยใช่ไม่เทีย้ยเออนบีบคั้นตลอดแล้วก็โอ้ความคิดต่างๆเหล่านี้เราบังคับไม่ได้เป็นตัวเหล่านี้ถ้าบอกการน้อมนึกการผูกใจการปส่ใจการทำไว้ัยซึ่งอันนี้จะลักษณะทุกลักษณะอนตาตลักษณนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ปนนาฏาหรือ โดยสัจจานุโลมิจยานคืออนุโลมก็หาริยสัจ น, ะนีทุกนี่เหตุให้เกิดทุกนี่ความดับทุกนี่ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกนี่ลักษณะอย่างนี้เป็นโยนิโสมนัสิการเนี่ยโยนิโสมนัสิการนี่เป็นเรื่องที่ดีด้วยนะแต่แต่การคิดลักษณะอย่างนี้ถามว่าเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยคิดสะดวกไหมเรื่องแบบนะี้เช่นเราคิดถึงความไม่เที่ยงบ้างคิดถึงเป็นทุกคิดถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ทั้งตัวเราเองทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องตัวเราเองเป็นด้วยเหรอนั้นการคิดในเรื่องต่างๆเหล่านี้ถามว่าใครคิดได้ละเอียดดีไหมไม่ค่อยละเอียดที่ถ้าไม่ละเอียดเราก็ต้องย้อนไปดูว่าเออศรัทธาศีลเป็นต้นเลยต้องตรวจสอบพอเราศรัทธาก็ดีศีลก็ดีการฟังก็ดีเป็นต้นเดียก็กลับมาเจริญวิปัสสนาอันนี้เป็นโยนิโสมรรสการเป็นปัจจัยเกิดการอาสวะส่วนอโยนิโสเนี่ยอโยนิโสได้แก่การทําไว้ในใจโดยไม่ถูกอุบาย โดยไม่ถูกทางแล้วก็การทําไว้ในใจโดยไม่แยกกายการท re, implemented implemented ําไว้ใน Nig ใจผิดทางในส RAM ิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาว่าเป็นอัตตาหรือการนึกการน้อมนึกการผูกใจการฝ่ายใจการทําไว้ในใจกลาบจากสัจจะเรียกว่าอายนิโสงเช่นทุกข์เนี่ยเราก็ไปมองเห็นว่าเป็นสุขหรืออายนิโสงมรณาสิกาลเนี่ยเวลาเราถามว่าเราเกี่ยวข้องการมีตาเราเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจ เราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับเราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เวลาเราคิดถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็คิดถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจของบุคคลอื่นคิดถึงขันของตอนเองคิดถึงขันของบุคคลอื่นเนี่เราคิดว่านี้ทุกข์ไหมถ้าเราเห็นว่านี้เนี่ยไม่ค้นจากทุกข์คือการเกิดเนี่ยทุกข์คือความแก่ความเจ็บเช่นเกี่ยว <Am> ข้องกังจากตาหูจมูกลิ้นกายใจของบุคคลอื่นแล้วก็นึกอ่ะนีทุกข์ใช่ไหมบอกเออเนี่ย ทุกต่อทุกไปเกี่ยวข้องเงินเอ๊ะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เบียดเสร็จในนี้เขาเรียกว่าใส่ใจถูกแต่ถ้าเขาใส่ใจเราเห็นคนคนนี้เขาหน้าตาดีนะอันนี้มันมันเห็นกลับไง น, นี่มันเดินอโยนะเมื่อวานนี้เขาเขคุยกับเราดีนี่สม่วเนี้มันมันไปมองเป็นดีไปแล้วมองเป็นความสุขไปแล้วอันนี้ก็เป็นเป็นการมองกลับนั้นเวลาเราไปเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนอื่นซึ่งเราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ ทั้งสองส่วนนี้เป็นเป็นทุกข์มีชาติที่ทุกข์เป็นตน้นทีนี้ความทุกข์ทั้งสองส่วนเนี่ยทุกบอกว่าถ้าใครมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในแวดวงมากเขาก็ต้องใช้คํามีก้อนทุกข์เยอะใช่ไหมใช่มีก้อนทุกข์เยอะมีไงเราก็ทุกหนึ่งทุกแล้วใช่ไหมก็ยังไปเกี่ยวข้องกับทุกข์อีกมากมายถ้ายิ่งเกี่ยวข้องมากก็ต้องคิดดูว่าสมมติว่าอคนน่คนนี้ก็เป็นมะเร็งคนนี้ก็เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแล้วไปที่รวมทั้งโลกมะเร็งทั้งหมด ไม่จะเจ็บปวดแค่ไหนเพราะจริงๆก็คือโลกดีๆนี่แหละที่มารวมกันอยู่ทีนี้ว่ามันเจอมันมันจะแค่ไหนมะเร็งระดับไหนระดับหนึ่งสองสามสี่ก็ว่าไปแต่ก็คือนั่นแหละก็คือตัวมะเร็งหมดเลยใช่ไหมที่นี้เราก็เป็นเขอื่นก็เป็นต้องเจียวว่านี่มองแบบว่าโยนิโสเมตสิกานะแต่ถ้ามองแบบอโยนิโสมเมตสิกานก็บอกเออมันก็จะมองว่าเราก็ไม่เห็นไม่เห็นดังว่าจริงไม่เห็นอริยสัจไม่เห็นอริยสัจในที่ทั้งปวง พอไม่เห็นอริยศาสตร์นี้ที่ทั้งปวงแล้วก็จะมองเห็นว่าเป็นมันเที่ยงแล้วก็เห็นเป็นสุขแล้วก็เห็นเป็นตัวเป็นตนอันนี้เึงนญาติเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นน้องเราเป็นเพื่อนเราก็จะเห็นแบบนี้มันก็ไปคุมบปเสร็จแล้วสิ่งต่างๆอันนี้อย่าลืมนะการเข้าใจผิดพุบมันก็เริ่มยึดถืออาจจะยึดถือลักษณะไหนก็แล้วแต่เนี่มันก็ไปเข้าใจสิ่งเหล่านั้นผิดเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านั้นผิดเนี่ยที่นี้เราจะบอกว่า เวลาเข้าใจอริยสัจผิดแล้วเนี่ยเราจะไปเห็นไม่เที่ยงมันก็เห็นไม่เที่ยงแบบบุุรชนเห็นเนี่ยเห็นแบบไม่เที่ยงแต่ยังยึดถือเป็นทุกข์มันก็ยังยึดว่าทุกข์เป็นสุขมันก็ยังยึดเออเป็นอนัตตาก็ยึดแบบอนัตตาทั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งบอกว่าอโยนิโสมณสิการเนี่ยท่านทุกบอกว่าการทําไว้ในใจโดยไม่แยบคายการทําไว้ในใจโดยไม่ถูกทางและไม่ถูกอุบายไม่ถูกทางหมายความอกว่า เวลาคิดปุ๊บมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันจะตามมาด้วยมิจฉาทิฏฐินี่ก็เห็นผิดไงเพราะั้นมันจะตามด้วยมิจฉาสังกปะอ่ะดำริผิดมิจฉาวาจาเอากล่าวผิดอีกแล้วมิจฉากรรมมันตากงานก็ผิดดิมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพก็ผิดมิจฉาวายามะก็เพียนผิดเพียนที่จะโกรธเพียนที่จะต้องอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันเพียนผิดมิจฉาสติเละเลิกผิดมิจฉาสมาธิก็ตั้งกิจผิดเลย เห็นไหไม่ใช่ผิดหมดเลยถ้ า, ามันมันอโยนิโสมันราการเกิดปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ไประชุมสัมมามรรคแล้วเป็นการประชุมมิจฉามาันชีวิตของของสัตว์โลกก็จะเป็นนี้ก็ก็ประสบความทุกข์กันไปการทําไว้ในใจโดยผิดทางเป็นอย่างนี้ผิดทางก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยในสิ่งที่เป็นทุกข์ในสิ่งที่ในสิ่ง ท, งที่ที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา หรือการนึกการน้อมการผูกใจการฝ่ายใจการทําไว้ในใจโดยโดยการกลับกับสัจจะทั้งสี่อันนั้นเรียกว่าอโยนิโสมนัสิการ์ฉะนั้นความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่เพื่อยังยโยนิโสมนัสิการให้เกิดขึ้นและแก่ภิกษุผู้เห็นอยู่โดยประการที่อโ ย, ยนิโสมนัสิการไม่เกิดขึ้นดังที่ได้พานานาการรู้อยู่ในที่นั้นก็หมายความว่าทําโยนิโสมนัสิการ์ให้เกิดขึ้นเห็นอยู่ก็หมายความว่า อโยนิโสมนัสการไม่เกิดขึ้นเรื่องรู้อยู่ว่าเออตอนนี้ยเราทําโยนิโสมนัสการให้เกิดขึ้นนเห็นอยู่ก็คือว่าอโยนิโสมนัสการเนี่ยดับไปเห็นเห็นอโยนิโสมนัสการไม่เข้ามาสู่กระแสใจเราอีกแล้วปัญหาก็คือว่าเออเราเวลาเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเวลาเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยก็ต้องพยายามพิจารณาตรงนี้บอกว่าบัดนี้เมื่อจะแสดงข้อยุติแห่งเนื้อความที่พระพุทธเจ้าแสดงอโยนิโสมเป็นต้นเหล่านี้นะ ถามว่าเพราะอาสวะทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ใส่ใจโดยไม่แยบคายเมื่อภิกษุใส่ใจโดยแยบคายเธอย่อมละอาสวะทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงเข้าใจว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่เพื่อยังโยนิโสมณิสการให้เกิดขึ้นและภิกษุผู้เห็นอยู่โดยประการที่อาโยนิโสมณิสการไม่เกิดขึ้นดังที่พารนาม น, นี้ ในข้อนี้มีการพิจารณาโดยสังเกตเพียงเท่านี้ส่วนความพิจารณานั้นต่อไปนี้พระสูตรทั้งสิ้นข้างหน้ามีเกี่ยวข้องก็หมายก็ตรงนี้ท่านจะกล่าวไว้ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะียแต่ต้องการกล่าวให้เห็นบอกว่าโยนิโสมนัสกา ร, ก, า ก, ารกับอโยนิโสมนัิการนี่เป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะเป็นถ้าโยนิโสมนัสการก็เป็นปัจจัยให้ละอาสวะได้อายโยนิโสมนัสการก็เป็นปัจจัยอาสวะทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นต้นเหล่านี้ การต่อมาก็คือว่าพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าบอกวัตตาวิวัตตานี่นะวัตตาก็หมายความอาการเกิดในการมาภูมิรูปภูมิอารูปภูมิมวิวัตตาก็คือการพ้นจากการมาภูมิรูปภูมิอารูปภูมิเป็นต้นทีนี้ก็คือว่าการใส่ใจโดยไม่แยบคายเมื่อเจริญขึ้นก็ย่อมทําให้ทำสองอย่างอวิชาและตัณหาบริบูรณ์ถ้าเราใส่ใจโดยไม่แยบคายอายโยทิสโสมนัสิการเกิดขึ้นมันจะตามมาด้วยอวิชา สังขารวิญญาณนามรูปสลายทุนธาัสาวเวทนาตัณหาบาทานภาวะชาติชราโมรณะโสกาปริเทวทุกขโทมนะสาแลบายญาติไหมทีนี้ถ้าเราใส่ใจโดยแยบคายนี่นะจริงๆแล้วมันมีนะอวิชชาเรามีมาก่อนอยู่แล้วอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายทุนธาปสาวเวทนาตัณหาบาทานภาวะชาติชลาโมรณะโสกาปริเทวทุกปัจจุบันเราได้ความทุกข์ทีนี้พอมีความทุกข์แล้วเนี่ยแต่ทุกข์จะไปเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาสังขารเป็นต้นนี่ไง หรือเราจะทุกข์เป็นศรัทธาปัจจุบันเนี่ยเรามีความทุกข์ใช่ไจากเกิดแก่เจ็บตายอันนั้นเป็นทุกข์ใหญ่ๆแล้วก็มาดึวความโศกความร่าไรํามันความไม่สบายกายโดยเฉพาะไม่สบายใจนี่เยอะความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นต้นอันนี้เป็นความทุกข์ทั้งความทุกข์เหล่านี้ยบัณฑิตทั้งหลายเขาจะเอาความทุกข์เป็นปัจจัยเกิดศรัทธาจะมีตถาคตถาโพธิศรัทธาเป็นต้นใช่ไหมแต่บางกลุ่มเอาความทุกข์เป็นปัจจัยเกิดความความหลงคือโมหะ พอโมหะก็เป็นปัจจ so ัยเกิดการทํากรรมมีการต่อว okay, <men> ่าต่อขานเลยก็ว่ากันไปแล้วเวลาทำกรรมเบ็ดเสร็จก็เป็นปัจจัยเกิดวิญญาณน้ำเลืก็ว่าไปแล้วก็ความสังสารว่ามันก็หมุนไปอย่างเงี้ยแต่คนมีปัญญาหรือบัณฑิตหรือที่พระเจ้าสอนพระเจ้าว่าความทุกเกิดขึ้นเนี่ยเอาทุกเป็นปัจจัยเกิดศรัทธาเพราะศรัทธาก็เป็นปัจจัยเกิดโยนิโสมนสิการนะโยนิโสมนสิการก็เป็นปัจจัยเกิดกุศลศีล กุศลศีลก็เป็นปัจจัยเกิดสมาธิสมาธิาธเป็นปัจจัยเกิดปัญญาเหมือธรรมาสายนีเ้เส้ยก็ไม่มีปัญหาแล้วที่ปัญหาคือเรารู้อยู่แล้วว่าทุกเกี่ยวข้องกับเราทุกสถานนะแต่จะเอาทุกเป็นปัจจัยแก่อะไรเราก็มาขีดเส้นโดยเป็นปัจจัยแก่อวิชชาตันหาอุาทานก็ได้เป็นปัจจัยแก่ศรทัทธาตลอดทังการฟังท ำ, ทำการเกิดโยนิโสโยนิโสเป็นปัจจัยแก่การเจริญกุศลศีลเป็ืนเดิอย่างนี้ก็ได้เราก็ต้องเลือกมาสายศรัทธาดีกว่า เพราะเามีความทุกข์ไม่เอาแล้วตถาในพระพุทธเจ้าดีที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าสอนเราพ้นทุกข์ถ้าั้นเราก็ไมเกี่ยวข้องทุกข์อยู่เงี้ยวันๆแต่ก่อนเนีเย่ยเคยเฮ้ยเวลา อ, อยู่กับเนรอยู่กับพระอยู่กับอะไรต่างๆเมตืต่นขึ้นมามองที่มอ ง, มองรอบขุดลกหมดนี่นเป็นความทุกข์ของพระจะทําได้ทําได้ก็ทํำๆแต่ว่าเี่ต้องต้องตั้งใจให้ถูกนะบางทีมีแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนมันนักการสายใจใเป็นทำประโยชน์ ทำแบบต้องการให้็มาําทำทำแบบประชดคือทําประชดก็คือต้องดูว่ามันดูเราเปล่าถ้ามันดูเราล้วก็ทำตอนอยู่คนเดียวไม่ทํำใช่ไหม ừ, ทําประชดเลยไม่ได้บุญไม่ไ ด, ไไดไ้ได้บุญไม่ได้วางใจา ย, ยากเหมือนกันเนี่ยวางใจา ย, ยากแต่ก็ต้องฝึกโบราณเขาเรียกทำใจเธอลูกหรือว่าโบราณเขาจะสอนหนึ่งาทีไม่ได้ร้องไห้อยากจะได้ของ พ่อแม่บอกทาใจยอมแล้วก็เป็นน้องยอมเยอะยังยอมทัมอมอ้งทเราอยากได้แม่บอกทําใจให้ใหใหใหทําใจแล้วก็ทําใจทํำยัง ไ, ไงนี่งงไม่เข้าใจก็คือรู้จักปล่อยวางบ้างนิงนึงนะการว่าทําใจกะโยนิโสมนัสการจเจริญขึ้นก็ทําให้มรรคแปดมีสมาทิฐิเป็นต้นเนีบริบูรณ์ขึ้นภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยการใส่ใจโดยแยบคายก็หวังได้เธอจักเจริญในอริยมรรคมรงคแปดนะ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาสมาธิจัจเจริญได้และในที่สุดจริงๆก็คือจะทําให้จะมากด้วยอริยมรรคโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่าถ้าหากมีโยนิโสมนัสิการอย่างเดียวแล้วเนี่ยในที่สุดจริงๆ จ, จักบรรลุได้จะทําอริยมรรคให้บริบูรณ์ได้จะเป็นพระโสดาบันก็ได้จะเป็นพระสกาทาคาก็ได้จะเป็นบ้านนาคาก็ได้จะเป็นบ้านหลานก็ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าทำให้โยนิโสมนสิการ บริบูรณ์เมื่ อ, อไรแล้วเนี่ยในมรรคก็หวังได้แต่ถ้าทําอโยนิโมนสมนเทศการให้เกิดขึ้นมาและอวิชาก็หวังได้และความทุกข์ก็หวังได้จ้ะสังสารวัฏก็จะเจริญมันก็มีสองทางอยู่ไหมเราจะเจอเราจ ะ, จะเจริญโยนิโสหรืออโยนิโสก็ก็ไปใครควรถ้าอโยนิโสก็เป็นไปเพื่อชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทโสกาปริเทวาทุกขโทมนาสาแลวบ่ายาถ้าอโยนิโสก็ในที่สจริงเราก็จะทุกขะดับชาติดับชะลามรณะ โอกาสปณิเทวะทุกขโทมนะสาวุปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลก็มีได้ด้วยประการอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นพระสูตรทั้งหมดเนี่ยนะที่จะกล่าวหรือที่เราศึกษากันเนี่ยท่านจะกล่าวตรงนี้เข้าไว้ค่อนข้างเยอะจะกล่าวในเรื่องของโยนิโสและอโยนิโ ส, โนโสมนสิกานประการต่อมาที่จะเริ่มศึกษากันก็คือว่าอาสวะที่พึงละด้วยทัศนะสรุปตรงนี้เนี่ยทัศนะด้วยการเห็นตามความเป็นจริงเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงทีนี้ในทัศนะตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้า แสดงบอกว่าภิกษุทั้งหลายอาสะวะเหล่าใดที่ควรละด้วยทัสนะก็เริ่มเทศนาปุกลาที่ฐานว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้นั้นไม่ได้สดับในพระธรรมวิ น, นัยนี้เป็นต้นก็แสดงรักความหมายของปุตุชนและปุตุชนเข้าไว้แล้วก็แสดงว่าย่อมไม่รู้จักธรรมที่ตรงกันข้ามเป็นต้นเหล่านี้นะคือแสดงความเป็นปุตุชนว่าถ้าความเป็นปุตุชนเจริญขึ้นมาแล้วเนี่ยความเสียหายก็จะตามมาอย่างเยอะแยะเลยก็จะแสดงแสดงลักษณะอย่างนี้ นิประการต่อมาก็คือว่าแล้วก็แสดงโยนิสโสมันสิการแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อแสดงโยนิสโสอ่ะโยนิสโเสเบ็ดเสร็จแล้วก็จะแสดงหลักการที่บอกว่าบรรดาอาสวะทั้งหลายเหล่านั้นน่ยนะความกำหนัดอันประกอบด้วยกามมคุณห้าชื่อว่ากรมมาสวะความกำหนัดในความยินดีพอใจในกรมในรูปประพบรูปประชานเป็นต้นที่เกี่ยวเนื่องกับศรัทธาทิฏฐิและอุเฉศติเชื่อพระวาสวะทิฏฐิทั้งหมดนั่นเรียกว่าทิฏฐานสวะ ความไม่รู้ในอริยสัจสี่ชื่อว่าอาวิชชาสวะเห็น ไ, ไหมไม่รู้ในทุก์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกไม่รู้ความดับทุกไม่รู้ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกอันนี้เป็นอวิชชาสวะเั่นกา ม, มาสวะภาวสวะทิฐาสว ะ, สวะอวิชชาสวะนี้เป็นเป็นตัวสําคัญเนี่ยพราะเขาไม่รู้สัจจสี่พอไม่รู้สัจจสี่ก็ไม่รู้จิตในอริยสัจด้วยเนี่ยเช่นทุกขสัจเนี่ยเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้เนี่ยเขาก็ไม่กําหนดรู้ สมุทัยยสัจจ์กลุ่มตันหากลุ่มกิเลสทั้งหลายเป็นธรรมที่ควรละเขาก็ไม่ทําจิตในการที่จักลานิโรธาสัจจ์คือพระนิพพานเนี่ยเป็นกิตที่ควรทําให้แจ้งเขาก็ไม่ไม่พยายามที่จะทําให้แจ้งมรรคสัตว์เนี่ยเป็นธรรมที่ควรเจริญควรอบรมเขาก็ไม่เจริญอวิชชาเนี่ยมันจะปิดหมดปิดยังไงในชีวิตจริงเนี่ยหนึ่งเราเห็นเราเรามองถึงตาหูจมูกร่างกายใจของเรานเนี่ยผมคนเล็กฟันเป็นต้น หรือตาหงายจมูกดิ้นกายใจว่าโดยเฉพาะขันหา้าของเราเนี่เรามองเห็นทุกเนี่ยทุกมันไม่ปรากฏเราไม่เข้าใจไม่ไม่ไม่ไมตรึกไม่ไข่ควรไม่เกิดโยนิสโสมนัิการให้มากว่าอันนี้เป็นเกี่ยวพันกับชาติทุกชะ า, าทุกหมดแล้ะทุกเนะเกี่ยวพันกับโสกกาปริเทวทุกขกระทมนสะส้าอุบายญาณเนี่ยเนี่ยสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเราจะต้องได้ชาติทุกข์ ที่เรากำลังทํากรรมจากการเห็นได้ยินได้กลิ่นริมรสสัมผัสและคิดนึกเนยแล้วเราก็มาทํากายกรรมวิจีกรรมให้ดําเนินไปอยู่กรรมที่เราทําที่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเนี่ยเป็นไปเพื่อชาติดิทุก์เป็นไปเพื่อการเกิดการแก่การเจ็บการตายในอนาคตแล้วปัจจุบันเราก็มีการเกิดแล้วกําลังแก่แล้วเจ็บแล้วจะตายใ น, นียในอดีตก็เป็นมาอย่างนี้ปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนี้อนาคตก็จะเป็นอย่างนี้ดังนั้นที่เราทํากรรมเนี่ย ที่เกี่ยวพันกับอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นเหตุให้เกิดชาติที่ทุกข์ทีละทุกข์เราไม่ได้ใข้ควรอย่างนี้ก็ไม่เห็นทุกข์นี่ไม่เห็นทุกข์และที่เรากําลังเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นเ ข, เขาก็กําลังทํากรรมอย่างเราทำอยู่ใช่ไหมทำกรรมเขามีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทํากายกรรมวิชีกรรมมโนกรรมออกมาทําบาปบ้างทําบุญบ้างแต่เขาก็ไม่ได้กระตือรถในการที่จะออกจากชาติที่ทุกข์เป็นต้นมันก็เกี่ยวพันกับเราอยู่เนี่ยบอกโอ้เงินก้อนทุกข์เี่ก้อนทุกข์ก็เป็นกันอย่างเงี้ยพลวัตเป็นหมดอย่างน้ เ, เ, มมงเห็แลว โยนยิสโสมนั ส, สการเกิดจะเห็นโอ้โหนี่มีเริ่มเห็นทุกข์ขั์แล้วควรรอบรู้ควรกําหนดรู้นั่นเองกําหนดรู้ต้องกําหนดรู้ในขณะที่เรากําหนดรู้แบบนี้เป็นโยนยิสโสเนี่ยพอโยนยิสโสเกิดขึ้นมากๆต่อไปมันจะเกิดความรู้สึกว่าเออเร า, ารเเรต้องรีบเร่งเจะเลยล้ะไปรู้วันก่อนนั่งคุยกับพระรูปนึ่งคุยกันไปคุยกันมาบอกแม่พอคุยคุยแบบทําให้เขารู้สึกเขาเป็นห่วงภรรยาเขาคือพระนี่มาบวชแล้วมีภรรยาบอกเป็นห่วงภรรยาแล้วก็จะต้องไปบอกภรรยาก็ เห็นไหมว่าจริงๆที่เจตน า, าของผู้พูดหรือขออุญาตนี้นั่งคุยก็ต้องการให้ท่า น, นคนไหวแต่ท่านคิดถึงบางอย่างแล้วก็คิดถึงเพื่อนอีกเดี๋ยวนี้แล้วยยคิดถึงพี่น้องลูกหลานไปเยอะโหมันบางทีบางทีพอพแต่ก่อนเป็นอย่างนี้จริงๆนะเวลาเวลาเราศึกษาอะไรแบบนี้จะเริ่มคิดถึงพ่อแม่ไม่รู้เป็นไรเราไปไปฏิบัติไป่หลังจากคิดถึงพ่อแม่อย่าเงี้ยนะเวลาไปบอกอะลรเรื่องเลยเดียวนี้ทจริงที่จริงไม่ใช่อย่างนั้น จริงๆถ้าน ใ, นให้รีดข้นขวายกับตัวเองก่อนตนเองเองเจ้าตัวไม่รอดอยู่ยังไม่วิ่งแบกคนอื่นหรือลำบากตรงนี้นถ้าหากม อ, มองลักษณะอย่างนี้ก็ก็จะเข้าใจถ้าหากเป็นไปกับสัตว์สาวทิพย์ที่ไม่รู้ในสัจจะสี่นี้เป็นอวิชาบรรดาอาสวะเหล่านั้นกามาสวะซึ่งยังไม่เกิดซึ่งยังไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความยินดีใส่ใจในการบกุลนี้จริงๆนะถามว่าอาสวะในปัจจุบันเนี่ยการมาสวะความยินดีติดใจในการบกุณอารมณ์เนี่ยเช่นในขณะฟังทำเนี่ย ในขณะฟังตามเป็นต้นอย่างนี้การมาสว่าความติดใจในกามคุณไม่เกิดยังไม่เกิดขึ้นทีนี้เจริญขึ้นแก่ผู้ที่ยินดีใส่ใจในการมคุณพอขณะนี้ผ่านไปถ้าเราไปยินดีพอใจในรูปเสียงกิ่้อยนั่มันไปเกิดใหม่ในอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันยังไม่ได้ทํำกิจแห่งการละได้อย่างเชาวนพราะวะสว่างที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญแก่บุคคลที่ยินดีใส่ใจในมากก็จะทาเช่นถ้าเรายินดีในฌานเนี่ย อ่ะยินดีพอใจในรูปฌานอะรูปฌานเ น, นี่ยอันนี้อันนี้เป็นภาวาสวะนเ น, นี่ยเย็นดีในภพเนี่ยเช่นยินดีในพบที่มันสูงสูงขึ้นไปเนี่ยบอเออปัจจุบันนี้เราเป็นทุกข์มากตอนเราไปอยู่ในร เ, เราจเจริญมหาการธรรมจเจริญฌานสมาบัติเสียนเนี่ยอายุะ ย, ยืนยาวเราอาจจะทํานพระเจ้าก็ได้อย่างนี้ต้นนี้เนี่ยพราะก๊อกหนึ่งก๊อกสองไม่ได้เอาก๊อกประเภทที่ว่าเ อ, อสงสัยบรรลุไม่ได้เนี่ยเราเรื่องเอาตางทํามยังไงก็ได้ใช่ไหมเป็นรอรอหน่อยอย่างนี้ก็ นี่ภวาสะวะก็จะเจริญแก่บุคคลที่คิดแบบนี้เออแต่ในทางคําสอนเนี่ยท่านท่านไม่ให้หวังแบบนี้เลยเนี่ยท่านหวังว่าเออให้เจริญให้เจริญเพื่อจักปรินิพานเขาไว้ที่ผลพลอยได้มันอันนั้นก็ต้องว่ากันอีกทีใช่ไหมแต่เราคิดแบบปุตตชนคิดเนี่ยสงสัยไม่ได้เนี่ยนิพานในชาตินี้เอาตรงนี้ไว้คนเขาจะว่าไม่ได้อย่างหนึ่งคว้าอย่างหนึ่งเขาไว้ที่เราถูกสอนกันมาแบบนี้มันก็จะคว้าอย่างหนึ่งเขาไว้ แต่อมุ่งมั่นในการที่ไว้๋จะเราจะพ้นทุกข์มันก็เลยน้อยไปแล้วก็เลยเบาใจแล้วเพราะเราเราเคยเป็นไหมไม่บอกเบาใจแล้วตรงนี้ก็ไว้ก่อนแต่จินิพพานไม่ได้แน่ๆแต่คิดแบบนี้ที่จริงเราคิดตรงนี้มันทําให้อะไรรู้ไหมทําให้คลายความเพียรทำให้คลายความเพียรก็บอกว่ า, เ ป, าเป็นการเป็นการหยุดอยู่เป็นการไม่เจริญของกุศลธรรมก็เลยว่าไม่ไม่ปาราบความเพียรพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความเสื่อมอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้ความตั้งอยู่เนี่ย ความตั้งอยู่ของกุศลธรรมนี่เป็นความเสื่อมอีกอย่างนึงด้วยเพราะว่าในที่วนจริงมันเสื่อมเพราะว่ามันมันไม่เจริญดอ้วิชาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญแก่บุคคลผู้ไม่ใส่ใจทามันเป็นไปในภูมิสามเขาบอกงี้เอาวิชาสวะคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ย<ช>ถ้าเราไม่พิจารณาหรือไม่มีโยนิโนสโมนาสิการในกามาภูมิในรูปภูมิในรูปภูมิบ่อยๆเนี่ยอาวิชามันจะปิด เช่นถ้าเรากรณีที่เราเกี่ยวข้องกับมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานมากๆเราเห็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมแล้วก็พิจารณาเห็นโทษว่ากรรมในการนี้จะทําให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเราก็ยังไม่พ้นกรรมที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราไปเกิดเป็นเปรตสุรกายสัตว์นรกเราก็ยังไม่พ้นกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ยังไม่พ้นเมื่อพิจารณาอย่างเนี้ยพบในสังสารวัตรต่างๆเหล่านี้มันเป็นปัจจัยแก่ความเป็นทุกข์ทุกข์ที่เป็นไปในสังสารวัตร ทุกที่เป็นไปในในภูมิทั้งสามถ้าใส่ใจตรง น, นี้บ่อยๆเอวิชาไม่เกิดแต่ถ้าหากไม่ตรึกไม่ใส่ใจสิ่งเหล่านี้นะวิชาก็จะเกิดเอาแล้วว่ามนุษย์ ไ, ไม่ได้ไปสวรรค์สวรรค์ไม่ได้ไปโรมเนี่ยม<ง>ันจะยมันจะทั้งๆที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นทุกหมดเลยนะึ่มันเหมือนว่าขอทานไม่เป็นนะเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าหากเป็นมนุษย์ยากจนไม่เอาถ้าจะเป็นคอยรวยเนะี่ยทั้งๆที่ก็คือเป็นมนุษย์นั่นแหละใช่ไหมแต่จริงๆก็คือสภาพไม่ต่างกันเลย จะจนจะรวยแรงต่างๆๆก็ไม่พ้นจะเกิดแก่เจ็บตายอาจจะดูดีหน่อมันเหมือนว่าสถานภาพต่างกันนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่โดยการชาติทุกชราทุกมรณะทุกโศกกาภริเทวมันไม่ต่างตรงเนี้ยถ้าเราเราคิดตรงนี้บ่อยๆแล้ว ว, วิชาไม่เกิดแต่ถ้าไม่คิดตรงนี้บ่อยๆอา ว, วิชาก็จะเกิดเพราะอา ว, วิชาเกิดเนี่ยมันก็จะมองเห็นพบทุกพบไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยยังไมไม่เห็นเดือดร้อนในสายตาของคนที่เขามีบุญมากๆนี่เขาเดือดร้อนมากเลยเนะ่ย เวลาเขาตรึกถึงเรื่องต่างๆนี่เขาเดือดร้อนมากในการนี่เขาจะต้องเรียบมุ่งมั่นในการนี่จะเจริญกุศลให้ยิ่งย่งขึ้นไปแต่ในในในสายตาของคนบางคนยังยังอีกนานเนอีกนานก็ลำบากประทัดฐานแห่งวิปลาส4ี่่งทราบเนื้อความดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็หมายความบอกว่าวิปลาสทั้งสี่ก็หมายความว่ามีสุภาวิปลาสความเห็นวังงามความเห็นว่า เทียงความเห็นว่าสุขความเห็นว่าเป็นตัวเป็นต น, ตนตก็มาอย่างวิชานี่เขาจะถามบอกว่าเหตุไรในพระสูตรนี้พระเจ้าจึงตรัสอาสวะไว้ยสามอันนั้นเป็นข้าศึกต่อวิโมกเนี่ยกามาสาวะเป็นปฏิปกักษ์ต่ออภปนิหิตาวิโมกก็หมายความบอกว่าถ้าใครมีกรรมาสาวะมากๆแล้วเนี่ยที่จะไปทําให้อภปนิหิตาวิโมกคือการหลุดพ้นด้วยสมาธิก็ไม่เกิดอย่าลืมนะว่าไอ้ตัวตัวกามาคุณเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิ ตัณหาเนี่ยนะตัณหาหรือกามคุณทั้งหลายเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิความยินดีพอใจในรูปเสียงสิ้นรสเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อการเจริญที่สมาธิอย่างมากฉะนั้นคนที่จะหลุดพ้นด้วยการที่มีสมาธิที่ตั้งมัน่นหรือไปมองเห็นทุกข์เนี่ยสรุปก็คือคนมีตัณหามากไม่ค่อยเห็นทุกข์แต่ถ้าคนมองเห็นชาติทุกข์ชราทุกข์มาแล้นะทุกข์ความโศกความลำลายลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจมากๆแล้วตัณหาจะหมดนั้นถ้าใครรู้ว่า โดยมากบป็นคนชอบเพลิดเพลินเนี่ยนะชอบเที่ยวชอบเพลิดเพลินชอบสบายๆชอบชีวิตสดชื่นอะไรต่างเนี่ให้มองให้มองความทุกข์ในสังสารวัฏให้เยอะๆแล้วจะตายกันตัญหาด้วภาวะสวะและวิชาสวะนอกนี้เป็นปฏิบักษต่ออนิมิตตวิโมกและก็สุญญตาวิโมกก็หมายความว่าภาวาสวะนี้ความยินดีพอใจในภพเนี่ยเป็นปฏิปักษต่อต่ออนิมิตตอานิมิตะก็คือโดยมากจะเห็นภพ ถ้าไปยินดีพอใจในพบก็ไปเข้าใจว่าอะไรเข้าใจพบน่ยมันเที่ยงเช่นสล้วบอเป็นมนุษย์เนี่ยอายุสั้นเนยุคนี้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมดีกว่าอายุเยอยืนเนี่ยไปเห็นเนี่ยไปเห็นว่าเขามันเที่ยงไงเพราะไปเห็นว่าเที่ยงแล้วก็เป็นปฏิปักษ์ต่อการเจริญอันนี้จะสัญญาที่จะไปเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยไม่เห็นแล้วส่วนอวิชชาสวเนี่ยเป็นปัจจัยต่อการที่จะทําหสุนญ่สุญญายาบโมกข์หมายก็เป็นเป็นปฏิบัติต่ออวิชชา การที่เราเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเพราะอาวิชชาปกปิดไว้เนี่ยเพราะอาวิชชาปกปิดไว้ฉะนั้นอาสวะทั้งสามประการนั้นเป็นเป็นเป็นปฏิปักษ์ต่อ ว, วิโมกต์ดังที่ได้กล่าวมีอัปปนิหิตะวิโมกต์อันนิหิตวิโมกต์แล้วก็สุญญาตะวิโมกต์ทีนี้ท่านก็กล่าวเกี่ยวในเรื่องของบุตุชนก็ไว้ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเนี่ยก็ชี้ถึงอาสวะพึงละด้วยเทศนาปุคลาธิฐานเพาเหตุที่บุตรชนนั้นเป็นที่ตั้งแห่ง อาสวะทั้งหลายมีกามาสวะเป็นต้นโดยการใส่ใจโดยอุบายที่ไม่แยบคลายเป็นปัจจัยตรัสไว้โดยสามัญธรรมดาเดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อพิสูุใส่ใจโดยอุบายไม่แยบคลายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จ ะ, จ ะ, จะเจริญยิ่งขึ้นต่อไปท่านก็แสดงเกี่ยวนในเรื่องของไอ้ที่แสดงไว้วันก่อนแสดงเกี่ยวนในเรื่องของไอ้ความสงสัยความสงสัย16อย่างที่แสดงก็ไว้ครั้งที่แล้วอันนั้นก็อันนั้นก็ได้แสดงไปแล้วก็ก็ข้ามไป ข้ามไปก็ไปเกี่ยวในเรื่องของเรื่องทิฏฐินี่ยทิฏฐาสวานี่ได้กล่าวกล่าวไปแล้วสรุปตอนนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าแสดงทิฏฐาสะวะพรนาบอกว่าเหตุที่ศีลพระจปรามาพระองค์เทศนาไว้ด้วยการละกามาสะวะเป็นต้นนี่เนี่ยสัมมาริฏามทั้งหลายภายนอกพุทธศาสนานี้ถูกอวิชชาครอบงาย่อมพากันถือศีลพจน์เพื่อความสุขในกามเพื่อความสุขในภพเพื่อโบกเวสุดในภพคันไม่ทรงคันไม่ ขั้นไม่ทรงแสดงศีละพตาปลามาสนั้นซ้ําอีกหรือไม่ทรงแสดงศีละพตาปรามาสนั้นนั้นอีกเพราะศีละพตปรามาสนั้นพระองค์ทรงถือเอาโดยทัาบว่าทิฏฐิแล้วบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงบุคคลภูลิอาศวะพึงล้าด้วยทัศนะเป็นต้นด้วยตรงนี้กล่าวอย่างนี้นะว่าในในพระสูตรโดยทั่วๆไปท่านจะไม่แสดงศีละพตาปลามาสเขาไว้แต่ในที่นี้ที่ท่านแสดงเขาไว้ก็เพราะว่าต้องการเนทราบบอกว่า บุคคลภายนอกเนี่ยเมื่อมีทิฏฐิกล่าวคือมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติก็ไปเข้าใจว่าข้อปฏิบัติของตอนเองนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยเก่การค้นทุกข์ได้เมื่อไปเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ถือทิฏฐิที่ผิดพลาดแล้ว ก, ก็ประพฤติปฏิบัติลักษณะนั้นก็เป็นสีละพะตุปาทานไปส่วนอริยะบุสาวกผู้เจริญกรรมฐานในสัจจทั้งสีในชั้นแรกทีเดียวก็เรียนกรรมฐานประกอบด้วยสัจจสี่ในสนักของอาจารย์แล้ว ถ้าไปพิจารณาว่าขันมีรูปประขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณขันที่เป็นไปในภูมิทั้งสามคือกามภูมิรูปประภูมิอารมณภูมิเป็นทุกข์เพราะโทษกาวคือตัณหานี่เองเป็นเหตุเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์ต้องมาพิจารณาอย่างนี้แต่ว่าถ้ยายะสาวกท่านไ ม, ทนไม่ท่านไม่ทุกข์ใจเรื่องตรงนี้ท่านก็จะเข้าใจว่าที่เราได้ขันคือได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเนี่ยกันคนละหกทวารได้มาหรือได้ขันห้ามัน อันนี้ถามว่าขันห้าที่เราได้ได้ได้แต่ไหนมาก็บอกมีตัณหาในอดีตเป็นตัวสร้างมาตัณหาบวก ก, กรรมทํากรรมแล้วก็ได้ถ้าไม่มีตัณหาก็ไม่ทํากรรมที่จะสร้างขันนี่ไหมเพราะมีตัณหาเราเป็นเหตุในการทำกรรมเมื่อทํากรรมแล้วก็ได้ขันแบบนี้คือได้สภาพรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้ท่านกำลัพิจรารณาบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือขันห้าเนี่ยที่เป็นไปในกรรมภูมิที่เป็นไปในรูปภูมิที่เป็นไปในอรูปภูมิเเป็นทุกเป็นทุก ทั้นทุกให้เวลามันยักย้ายมือสภาพขันที่มันมีการแปลเปลี่ยนไปทุกขณะมันสืบต่อแปลเปลี่ยนจากเด็กมาเป็นหนุ่มจากหนุ่มมาเป็นผู้ใหญ่กลางคนจากกลางคนมาแก่เท่าแล้วในส่วนจริงก็จ้องต้องตายองนี้สภาพขันนั้นเนี่ยมันก็หมดไปเพราะการทํากรรมนั้นที่ต่อไปคือว่าตั้นหามันก็สร้างสร้างขันใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็สืบต่อกันไปอยู่เรื่อยๆดังนั้นขันที่เป็นไปในภูมิสามมันเป็นทุกในลักษณะนี้ท่านท่านกำังพิจารณาอยู่ก็ให้เข้าใจว่า โดยสรุปตรงนี้ก็คือว่าท่าละได้เนี่ยทัศนาเนี่ยก็หมายถึงโสดาปิมรักการละกามาสวะพระวสวะทิฏฐาสวะวิชาสวะบางส่วนเพราะเห็นพระนิพพานครั้งแรกเมื่อโคตลตะระภูยานเห็นเบียดเสร็จแล้วในสื่อจริงก็ทำโสดาปิมรักฉะนั้นก็บอกอาสวะที่พึงละได้ด้วยการเห็นในที่นั้นหมายถึงเห็นสภาวะทำตามความมีจริงก็คืนได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน้วยหลักการอยู่ตรงนั้นเลยคือการเห็นพระนิพพานเมื่อเห็นพระนิพพานก็ละอาสวะที่จะเป็นเหตุให้ไปเกิดเป็น เปรเป็นสัตว์เจรัฉานเป็นสัตว์นรกได้ก็ยังเหลืออาสวะที่เป็นเนี่ยได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเนั้นถ้าหากว่าเห็นพระนิพพานทัศนะที่ละได้โดยการเห็นถ้าเห็นพระนิพพานครั้งแรกปุ๊บเนี่ยหนึ่งเราก็จะไม่มีอาสวะที่ไหลลงไปเป็นสัตว์นรกอาสวะที่ไหลไปเป็นสัตว์เดรัฉานและอาสวะที่ไหลไปเป็นเปรก็เหลือแต่เพียงว่าอาสวะที่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นได้นี่เราก็ละละอาสวะได้แต่ละสายได้อยินไห จิตของพกวกเราตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ละได้สักจุดเลยก็เป็นกิตที่จะต้องดําเนินอาชว์ในการที่จะละอาชวาตะต่อไปเพวันนี้ก็เดี๋ยวจเจริญจรมาถามกันเพิเล็กน้อยโดยที่ด้แถบมาเจริญธจรมาถาม ที่ท่านได้รับฟังจบแล้วนั้น<ล>เป็นการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ประสุนทศตรกโมมวัดกลางอำ <โล S 1> เภอบาง<โ>ลปละมาจังหวัดสุพรรณบุรีท่านผู้ฟังครับ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงสมดังพุทธภาษิติ์ทธิว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกๆ ท, ท, ท่านสวัสดีครับโมโหโควัชชะอคุสลลัม อโมกุศลมปานาติปัตโตโควัชกุศลมปานาติปัตาเบรมณี Adin na da nam k h o v ach akusalam adin na da na m v e r a m a n i कुसलम कामे स ु म ि च ् छ ा च ा र ो खो व च ् छ ा कुसलम कामे सुमिच्छाचारा เบระมานีกสัลลัมมูซาบาดอัลวัชะกสลลมมูซาบา व ै द म ा न क ु स ल ं विसुनाय वाचा ख ो ब च ् छ अकुसलं व ि स ु न ा वाचाय बेरमनी कुसलम भरुसा वाचा खोवत अकुसलम รู้ว่าจย่เวร์มันีกุสลสำพับปลาป๋อวัชชะอัคกุศล สัมภัพลาปาเวรมัน क ์กุศลอมอบิจฉาข้ัจฉ์อกุศลออาณิจากุล अ भ ् य ा प ा द ो खो बच्चा अकुसनं अ भ ् य ा प ा द ो कुसनं म ि च ् छ ा द ि त ी खो बच्चा อคุสัลลัมสมมาดิขุสลอิติขวัชชะดัสดัมมาอคุสลาดัสดัมมา กัสลาย